เห็นบอกเอนี่ยเวลาคิดคนตายตอนนับนไปเกิดใหม่ให่ไหมอย่างนี้ใจมันไม่ไม่หยุดร่างกายหยุดแต่ใจไม่หยุดใจมยังอยากยังนี้การวตนันหาพระวัตถันหานิพพัทธันหาดี๋ยถ้าดับสามตัวไม่ได้แล้วพ่ากายหยุดใจก็หยุดได้ บาีกายไม่ทำอยู่ใจก็หยุดนะที่เกียนที่เขียนใจไหนเมื่อไหร่ที่เขียไไนใจดูไจฟังใจหาฟังสุดทางตารุ่งทะยุเรื่องกายเพราะตัวที่ผ่านแดนมันไม่ไ ม, มีตัวทางวันก็เหมือนกับพยาบาลที่เขียนคนข้างคนข้างนั่งอยู่บนมืเขียนถ้าไม่มีพยาบาลช่วยเข็นกายไหนเมืไหรก็ไปไม่ได้ มีถ้าถ้าเกิดคนเข็นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะเข็มแล้วก็ไม่ก็ไปไหนไมได้รางกายนี้ถ้าจิตมันไม่เข็นทัาตัวเข็นคือตัวจิตที่เรียกว่าตัวตันหามันไม่มีแล้วมันก็ไม่มันก็มนไม่ไปมันก็จะอยู่เป็นเบคคารเมือน่าเข้าเตียวว่าง มันก็จะว่างอยู่อย่างนั้นถ้ามันจไปก็เพราะมันมีมีเหตุการณ์มีเหตุผลอย่างที่เขาจะอนที่ตัดเชื้อโคไปหนนี้จิตของด่านก็แบบว่าเกียร์ว่างคือไม่อยากจะ ส, สอนใครไม่เหมือนไม่เหมือนคนสมัยนี้เรียนได้ไม่กี่เดือนก็อยากจะสอนละอยากจะเป็นอาจารย์ลแต่ คนที่เขาปฏิบัติผ่านมาแล้วก็เห็นความยากลำบากในการที่จะปราบปัญหากิดเ็งเขาต้องเห็นล้วก็อกว่าไม่อยากไม่อยากจะสอนใครเพราะสอนตัวเองก็เกิเนเกินแล้วไปสอนคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้หรือเปล่า ใจนีมันไม่มีความอยากที่จะเป็นอาจารย์เป็นครูอยากที่จะให้เขารู้เรื่องที่เรารู้นี่ อ, อะไรทำงานเดยก็เลยมีความรู้สึกว่าเท่าแท้ไม่อยากจะสอนแต่ความจริงใจท่านมันว่างอยู่เฉยๆท่านก็นสบายแล้วท่านไม่ได้มีความอยาก็นอยากยังอยากมีชื่อมีเสียง อยากมีลูกศิษย์ลูก้ามีบอยสอบอยร้วท่านเป็นเพราะว่าหลังจากที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งตัวที่ขับรังจิตคือตาหาความอยากต่างๆมันมันหมดไปแล้วแต้ท่านอยู่ตรงไหนประทับที่หนั้ น, นก็มีความุทึที่ที่ตาง น, นมีความอื่นมีความพออยู่ตลอดไม่ได้ ที้พูดเสียเกลียดถึงจิตที่ที่เมื่ีพูดถึงที่ว่านัางใจใจไหนไม่ได้แต่ใจก็ยังอยากไปอยูน่นานๆเวลาพยายานะตไยให้ได้จะเกียดจะตายใจให้ได้มันเป็นเพราะว่าปัญหาความอยา่พาไป นั้นก็มีมีทั้งฝ่ายดีก็มีมีฝ่ายฝายธรรมก็ี่ยฝายธรรมยงเหยียดายความเทศความธรรมนั่นก็เป็นปัญหาความหยียดเมือันแต่เราเรียกว่าเป็นสันทะคือความยินดีในในธรรควาเป็นฝ่ายดีแต่มันก็มันก็ยังเป็นความยียอยู่แตาสหรับผู้ที่ได้ได้ถึง ได้ตัดความอยากทั้งหมดแนละ้วความอยากในการทำกรรมดีก็ไม่มีอย่างที่เราได้เคยเห็นว่าผู้ที่บรรลุนะั้นท่านได้ทั้งบุญทั้งบาปคือหมายความว่าใจท่านไม่ได้คิดที่อยากจะทำบุญไม่ว่าจะาเรื่องทำบารมีก็รู้อยู่แล้วไม่ทำารืงไม่อยากจะทำอยู่แต่เรื่องทำบุญนะอาจคี่ก็ท่านอยากจะทำ แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยความอยากทำท่านทําเพื่อประโยานให้ผู้อื่นได้ทำด้วยเช่นหลวงาท่านจัดงานทาบุญเปิดโลกธาตุท่านเลยทาเพื่อตัวท่านเองท่านเลยทได้วยความอยากอย่างท่านอาศัยวันวานและภาคของนันดาของท่านเป็นเหตุให้ได้ชักจูงผู้ที่ อย่างต้องทำอยู่ที่ต้องอาศาัยบุญเรื่องเปรียบเหมือนกับน้ำมันรถที่จะพาจิดให้ไปสู่จุดหมายปายทางได้ได้ทำกันเพราะถ้าไม่มีเห็นเขาก็จะมักจะไม่ทำนคนที่ยังไม่ได้ทำบุญติ ด, ปดเป็นนิสัยเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ เ, เครื่องที่ติดอยู่ในรถ ต้องอาศัยผู้หัวหน้าขึ้นไปนเรือที่เรือไม่มีเครื่องเครื่องยนต์จะไปไหนมาไหนต้องรอให้มีือเราอลากไถึงจะไปได้พวกที่ยังทําบุญไม่ติดเป น, นิสัยนี้ก็จะเป็นหมือนกับพวกที่ไม่มีเครื่องในเรือต้องรอให้คนอื่นต้อเข้าลากไป นาจะทำบุญที่น้าน้าครับประจำที่ในโอกาสนั้นโอกาสนี้ที่ท่านทำจรินท่านไม่ได้ทาเพื่อตัวท่านเองา็บุญท่านก็ได้เต็มแก้วแล้วบนแก้วแล้วบาปท่านก็นะได้หมดแล้วในจิตในใจนไม่มีอะไรลยแล้วนะเพบาะเรียนว่าท่านละได้ทั้งบุญั้งาคเพื่อไม่ได้ทำาพื่อความอยากาไม่ได้ติดบุญใจ อ, อันใดแต่พวกพี่ พอทำบุญติดชนินสัยนี้ก็ก็จะติดบุนอยากจะทําบุญแต่ถ้าทําไปถึตจุดที่มันอื่มตัวแล้วความอยากทำคนนี้มันก็จะหายไปเองังนั้นการเราอยากรับประทานอาหารพอเรารับประทานอาหารจนอิ่เนเต็มที่แล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะรับประทานแล้วเรืองอื่นอ่ะอืดท้องเต็มที่แล้วเรื่องของจิตเป็นอย่างนี้ จิตขางุกข์ยังเต็มไปด้วยความอยากต่างๆอยากที่เป็นสมัยก็มีอยากที่เป็นมรรคก็มอยากที่เป็นสุสมัยก็จะสร้างความทุกขคขึ้นมาความกระสกระสายความกระวนกะวายความความไม่ไม่สบายอกไม่สบายใจความความอึดอาดใจความเบือ่อน่ายอะไรต่งตางๆแล้เกิดจากความอ ที่เป็นสนทัยเราะฉะนั้นความจริงเก็บท้ายดได้ตัวไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านที่แสงสว่างสมายมีคนดูแล้ทุกอย่างถึงเวลารับประทานก็มีอาหารรับประทานต้องการดื่มน้าก็มีย้ไม่เดือต้องการที่จะเข้าห้องนะ้ก็มีคนคอยช่วยทําให้ทุกอย่างมีห น, น้าทีีความสุขแต่ ใจนี้ยังมีความอยากหลกับนอนเพื่อทาให้รู้สึกว่ายอยู่บ้านเฉยๆนี้น่าเบือ่เอเท้าต้อนหัวเหยาอยากจะออกไปทงบุญนี้ถ้าติดนิสัยได้แล้วไปทำบุญก็อยากจะออกไปทำบุญแต่มันก็เป็นความอยากไหอยู่เพราะถ้าจะทำบุญจริงๆไม่ต้องออกไปก็ได้ฝากเงินเขาไปก็ได้ หรือสังเทศฟังธรรก็เปิดเทที่เราได้อัดเสียงไว้เปิดไม่อันก็ได้มันก็ได้บเหมนกันแต่ยื่อมมีความอยากมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอต้องออกไปได้วยตัวเองถึงจะมีความสุขสบายแต่มันมีความสุขสบายที่ไม่ ท, ที่ที่เกิดจาก การเลื่อนโดนเขาตันหาความอยากเพราะอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดอักเร่าน้ใจเร้าซอยน้อยเหนยาวว่าเวานี่นี่มันก็จะความอยากของตันหาที่เลื่อนมาเป็นฝ่ายสมิธัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ละเป็นตันหาที่เป็นฝ่ายมักนึงก็จะก็จะไม่ไม่มีความรู้สึกปวดอากใจเช่น ถ้อาอยากก็คุณมานั่งทําสมาธินะหร้อพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาตายนะอย่างนี้ก็ไม่ต้องออกไปที่ไหนเราอยู่ในห้องเราคนเดียวนี่จะหมายถึงเจ็บนี้เองนะแล้วเราก็สามารถที่จะเจริญนกักเลื่อนเลพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพิจารณาไปจนปมีจิตยอมรับกับสภาพตามเป็นจริงของร่างกาย แร่ตงตอนนี้เจ็บข้าดได้ควรแต่อย่างไม่ได้ก็อยู่เป็นอย่างนี้ไม่ดิ้นรนอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยากให้มันหายมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่มีหน้าที่รักษาจรักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายใจก็จะเป็นอยู่ในเกียวว่างไม่ไม่รู้สึกปวดขัดใจไม่รู้สึก เบื่อหน่ายไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกเฉยๆสบายๆ ม, มีความสุขความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นไปของหงน้าตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับมรรคเรือสมุทัยเป็นหลักถ้ามีสมุทยัยก็จะไม่มีความสุ่อมจะมีแต่ความถือ บมายความว่าถ้ามีแต่ความอยากแล้ววันจะเกิดการว่าปัญหาเพราวะปัญหาหรือวิภาะวะปัญหาใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจต้องนื่งนวลต้องพยายามทำในสิ่งที่ความอยากมีวงการให้ทำตอนนี้ถ้าไม่จะทําก็ยิ่ยงมีความทุกข์ทรมานใจถ้าได้ทํามันก็ไปทุกข์อีกแบบหนึ่งเพราะต้องถ่อสังขาร น, นัร่งาย ไปทำตามคำสั่งของตัญหาเพราะถ้าร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมเช่นเจ็บเยี้ยงเจ็บไข้ได้สวยย่วนี้ก็จะไขรด้วยความยากลำบากมันก็ไปตัดทุกข์อีกแบบหนึ่งส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นความอยางทานคำที่เป็นมรรคมันก็จะไม่อยมันจะไม่เป็นมันจะดับความทุกข์จะมีความสุขยั อยากทำสมาธิอยากไนั่งทำสมาธิไปจนเราไม่พัสนาแล้วก็พัฒนาตามตามมากัยาพิษนาเรื่องเกษษิดเน่เจิดตาเรื่องอสุภเรื่องเรื่องตายละเรื่องอนัตตาเร่องกายไม่ใช่ตัวของเราเป็นตัวดื่ม้มำมพิฒนามันเรื่องเรื่องพลังศักดิ์รัท กำหรดดูร่างการในสภาพต่างๆที่จะต้องเป็นไปและที่เคยเป็นมาด้วยกันได้ซึ่งกาหนดตั้งแต่ดูในท้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของของเชื้อของพ่อแะของแม่มาผสมกันพ่อแม่ก็พบกันแล้วทีนี้ตัวเราก็มาพบกันในท้องเมื่อไหร่กีเมื่อสายเชือของพ่อเชื้อของแม่มาพบกันก็เหือนแต่งงานเดันข้างในแต่งงานกันในท้อง เพื่อให้ได้ร่างการนี้มา้นาร่างกานี้มารก็ค่อยๆกังเกิดัจากอาหารที่ส่งผานทางสายสายเลือกของมันาเป็นลกลังเปน่อน้วอยู่ไม่ได้้ก็ถูกดองออกมาถูกทำอกาก็เป็นทารกจดกแรกเกิดมัรับอาหารรับอากาศรับน้า ก็เป็ดืน้นใส่เข้ากันในร่างกายแลก็กลายเป็นอาการดามเด็ดสองลกลายเป็นผงขงนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดกร่างกายก็ค่อยจะร่าิจางโตขึ้นมาตามน้ำหักจากท า, การกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนชราผู้าจากผู้ราแลา้ว เ, เป็นผู้เก็บค้าได้ตัว แ ล, แ, ลแล้วก่ายแล้วพูดว่าเป็นผู้ตายแล้วเราก็เข้าบ้านก็จะใส่รองอาบน้ำุพให้เป็นข้างสุดท้ายสำละร่างกายให้เป็นข้างสุดท้ายใส่เสื้อแต่งกายให้ใ่เสื้อผ้ า, าให้เอาเข้าลงแล้วก็เอาเข้ า, าเท้าเผเผาจนกายเป็นคี้เท้าเลยอยู่แล้วเศษก็บุกออเราจะวิ จ, จารณาวิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อ เพื่อจิตจะได้รู้ความเข็มของร่างกายจะได้เตือนตัวเตียนใจรับประานเข็มพอจิตยึดรับประทานเข็มไม่ได้แล้วจิพอเราจะเกิดขึ้นกัหน่างกาขก็รู้ทันเหมือนกับ เ, เรามีหนังเรารู้แล้วว่าทําต้นเป็นไงตองจบไป็นไงเราดูทั้งมลลวนนะดูดูทั้งเรื่องนะเรื่องเรื่องของร่ากายนี่เราไม่สนใจ มันทำมวนหน้ามคอหวาดกลัวหรือว่าเชียรหรือว่ามันจะต้าจบยังไงแต่เชียร์งานก็ต้งตามอยมือกันเชียร์พระเอกเองงานพระเองกงานย่อมเกิดกาเต้าแพ้แ ต, แต่แต่คนดูไม่แพ้คนดูไม่ได้แพ้ด้วยคนดูดูแลเฉยแต่ถ้าถ้าไม่ได้เตียนถ้าไม่ไรเรียนรู้งอกงาไว้ก่อนพอพระเอกตาเจอตอนจบเนี่ยคนดูจะเสียใจ ดูแต่ทุกจะแต่เศ้าหมองแต่ถ้าคนดูรูล่วงหน้าก่อนแล้วเคยดูมาแล้วอย่างเร te te, te te, te ja ื่องนี้ก็พอดูข้างที่สองแล้วจะจะมีอารมณ์ไม่เหมือนกับครั้งแรกครั้งแรกจะคอยเชียร์พระเอกนางเอกให้ชนะให้อยู่กันานๆแต่พอดูแลเห็นว่าพระเอกนางเอกเนี่ยต้องจบต้องตายพอดูข้างต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกกระหาย ลอามาดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นร่าการของเราก็เป็นอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราคิดอย่งนี้อยู่เรื่อยๆสลับกับการทำจิตให้สนุกเพราะถ้าเราคิดนั่นว่าจิตที่ได้ได้ล็อกการข่มให้ให้ให้สงบ ต, ตัวด้วยกําลังของสมาธิ เก็จก ะ, ะค่อยมีกำลังเพราะหลังจากที่พิจารณาไปเรื่อยๆกำลังของสมาธิก็จะอ่อนลงไปจิเหนือก็จะมีกำลังมากขึ้นทางพิจารณาของเราแทนที่จะทำให้จิตสงบมันก็ทำให้คุ้งช่าจิตนมาได้เพราะจิตเดนจะแทรกเข้ามาจะมีอารมณ์เข้ามามีปฏจิกิริยาต่อต้านมีความรู้สึก เบื่อหน่้ยไม่หวาดกลัวหรืออะไรก็ตามมันไม่ดีก็จะเพตอนนั้นก็ควรึงหยุดพิจารณาว่าอาจจะเป็นวิภาวะทางหาพาคนพิจารณาขาดตามแล้วว่าว่างๆก็หนื่อว่าไม่อยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่เห็นหน้ากันตายดีกว่าอะไรกับความเบื่น่าไม่อยากอยู่อย่างนี้ก็เป็นวิภาวะทาหา การพิจารณา this ไม่ได้พิจารณาเพื่อให้อยากตายหรืออยากอยู่การพิจารณา this พิจารณาเพื่อให้ปลอบวางร่างกายพห้ยอมรับความจริงของร่างกายเวลามันอยู่ก็ให้มันอยู่ไปเวลามันจะตายก็ให้มันตายไปอย่ามีความอยากเป็อยู่หรือมีความกลัวตาให้มันเป็นให้มันเฉยเฉกับความเป็นไปยของร่างกายอยู่ก็ได้ตายก็ได้ เท่ากันอถ้าเกิดพลิ้าแล้วเกิดความเบื่อไม่อยากจะอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นวิภาวะสังาแสดงว่ากิเลสเริ่มเข้ามาแทรกในระหว่างที่เราเจริ่มปัญญาเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับมาทําสมาธิด้วยอุบายที่เราเคยถนัดเมื่เราถนัดด้วยพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็ทำจิตมนลอกเล่น ทีส่สแล้วสงบตัวตามลงอาลงความไม้มบไเบื่อหน่ายก็จะหายไปพอออกจากสมาธิแล้วก็จะมีความรู้สึกสดชื่นหมนมกบาในความในกำลังจิตกำลังใจที่จะพิจารณาเรื่องของร่างกายต่อไปจนกว่าใ จ, จะปล่อยวางรางกาได้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องรยดเครีหรืออสุิาหรืออนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสัตว์อางดูน้ำดูไฟนี่เป็เรื่องที่เราต้องต้องต้องพิจารณาอยี่เยก็พิจารณาในรามไม่ว่าเป็นมรดกไม่ว่เป็นคนไทยจุดเราจะมีพลังมีความรู้ความฉลารู้ทางความอยู่ที่คอยเราอให้หลงลึกติดกับร่างกายแล้วก็ อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่ต้องข้างกับความจริงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้มันก็เป็นปุ๋ยเป็นปัญหาขึ้นมานี่ก็คือพูดถึงเรื่องอความอยา ก, อก้องอยากความอยากที่เป็นมากแต่ความอยากที่เป็นสมุทย ความอยากที่เป็นสายนการการวานาเพราะวัานาราวัานาความอยากุ้นจากการยนืนรอดการเกิดความอยากให้มมิมีความสนบมีความสใจก็เป็นวัดก็ต้องเกิดก็ตเกิดจากการเป็นจิตตภาวนาเป็นหสตร ท, ทำจิตให้สนบไม่สมาธิ ตลอดการพิจาราอ น, นิจังทุกขังอัตตาในขันธ์ห้าในร่างกายในวิญญาณในสัญญาสังขาริี ญ, ญาณและในดวงจิตขันธห้ากับดวงจิตนี่เลยคเป็นคอาสงั น, น, น, นขันธัห้ารูปประขับนี้เราก็เข้าใจในร่างกาย้าตุนในอนุกัณ กามรรมคือเวทนาสัญญาสังขารมีนาน ين, เป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่ตัวจิตถ้าเปรียบเทียจิต เ, เ, เ, เป็นน้ําส่วนฟองน้าหรือครื่องขึ้นขึ้นขึ้นนน้านี่มันเป็นอาการของน้ําำจำได้เวทนาสัญญาสังขารมีนา น, นี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่ตัวจิต ตัวจิตเป็นตัวเป็ตนตัตัวจิตที่เป็นตัวที่เอาผ่านรู้สึกนั่นนี่อารณอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีต่างๆคือมันจะออกมาในรูปแบบของวทางนามันก็เป็นาา ม, นมาตามแต่เมื่อลึกๆก็ไปมันมันมีตัวที่เรียกว่าสทุกข์ในจิต อันนี้มันจะเป็นเวทนาก็อาจจะเป็นเวทนาที่ละเอียดเขาต้องพิจารณาดูเราอาจจะเข้าใจเราเวทนาเรื่องมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีมีสุขมีทุกข์จิตนี้ก็มีมีความละเอียดที่ที่สุดนั้นไม่ทุกที่ละเอียดกว่าเยู่ห้องไหนจิต ก็ต้องพิจารณาดูไปแล้วมอก็จะเห็นเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นความความความละเอียดมัน่อยู่กับสติปัญญาถ้าสติปัญญาเร็วขึ้นไวขึ้นมันก็จะทันกับความละเอียดของของทุทาวัฏจักทางน่ก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจแล้วปล่อยวางว่าทั้ก็เป็นตายแั้ เขาก็ไม่เที่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าเปยึดติดเวลาที่เขาเปลี่ยนไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นสิุทัยสังวามทุกข์ใจขึ้นมาเพราะติดในความอยากอยากอยากอยู่กับความสุขที่มนเองนี้เป็น ท, ที่มีในที่เรียกว่า สามยมด้านบนที่มีที่รียว่า ร, นะ ร, รูปะรูปะาคะกะรูปะนาคะพ้าแต่ตามตัวก็คือความดีในรูปประชาและอรูปประชาเนี่เป็นความสุขที่ละเอีกตอนนั้นขังขันร้สึกว่าจะไม่ทางานเนื้าสัญญาสังขารตั ว, ตวละกิจตอดอยู่ในฌ า, านนในฌานน้ก็มีความสุข เรียกว่าสุขของรูปรรประชาถ้ารูปประชาละสุขของอรูปประชาถ้าใจยังมีเกลียดอยู่มีตันหาอยู่ก็จะติดอยู่กันความสุขยากนี้เราเรียกว่าเป็นสัมโยนสังโยนรุ่นบนอันนี้เป็นระดับจิตของพระอานาคามีขึ้นไป สังสงงบเบื่องเบืองร่าเป็นจิตของของพระโสดาเกระสนิกฐานนี้ที่ทีสามข้อแรกที่พระสมุดาบันละนั่ก็คือขกายทิจิตความเห็นว่ามีตัวตนในขันท่าแล้วก็ ด้วยเจกิจชความรังเร่อสังไส้ว่าพระพุทธเจ้าเขาทำประสองค์อยู่จรครับอยู่จริงหรืม่ตอมี mm hmm. ดงตายทำแล้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเปิสางั mm hmm. คือผู้รู้เนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมผู้มีดงตาย้าก็คือสังตพระอรามันระยคนย่อมต้องีก mm ัจ hmm. จ ะ, ะต่างโยนเรื่องรอง่างได้สามสาตัว อีกสองตัวนี่ยะรับไม่เล่าก็คือการมาราธะกับปฏิฆะการมาราธะก็การยินดีรู้เสียงจริงวันราะัดาวนี้ถ่ายังมีครอบครัวถ้ายังมีสามีมีภรรยายัางติดในกามรามารดย่งติดในการมรดเวลาที่อยากจะเสกกามรมารด้็ไม่ได้เสกแล้วเกิดปฏิฆะขึ้นมา คือความ ม, ออมาง่เขินน้ำตาลใจคนที่อยากจะไปเที่ยวเม่อาไปมันก็กับความมง่เขินนจ้จตางขึ้นมาแต่ถ้าได้พิจารณาสุภาษิตพิจารููเสียงเรียนร้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงัองอนิจาจนปล่อยวางได้ไม่ติดไม่ยึดติดกับกาลางมรรตก็ได้ไอ้สองตัวนี้ก็จะหายไันิ้สองตัวนี้ก็จะหมดไป ทังโยชเบื้องลางห้าตัวทั้งหมดทัด้งหเมื่อกี้พูดถึงสอ ง, องเรืองเข้อหนึ่งของพระสุริยามันก็คือศีวัฏตะตาว่ามยึติดในในพิธีกรรมต่ต า, างพระสุานันเห็นแล้วว่าพิธีกรรมนี้ไม่ใช่ตัวตัวที่จะเป็นเหตุให้เจริญเสื่อมให้ให้เกให้ต ตัวที่จะเจริญรู้เสือมนี้ให้สุขให้ตรงนี้คือตัวกรรมคือการการะทำเชการรักษาสีห้านี้เป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้จิตเส่อมเพราะสุราบันก็จะไม่ละเมิดสี่ห้าโดยเด็ดขาดจะเห็นเห็นกดแห่งกรรมว่าไม่ไม่เชื่อเชื่อเห็นเลยรู้แล้วว่าทําดีได้ดีทำเชื่อไดเชื่อ นเรื่องที่ท่านจะราเม่อสิ่ ง, งนี้ก็จะไม่อยูถ้าท่านมีครอครัวถ้าสิ่งคราบคราท่านก็จะบริสุทธตลอดเวลาจะไม่นอกจาจภรรยาไม่นอกใจสามเีเลยกาจะไม่ไปหาวิธีสนอเคาะต่างๆในการไปบูชาวาของบูชายางฆ่าเอาเอาแกะออาแพะมาค่า เรืองเปลี่ยนทงผมเปลี่ยนง้องให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเป็นการแก้แค้นของเขาในนอนในโงสพอ น, นี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นตัวหลักของการความเจริญหรือความเสือ่อม กันเจรินหรือความเสื่อมอยู่ที่กรรมพฤติกรรมของเราดีหรือเชื่อดีแล้วมันก็เจริญไอ้ที่มันยังไม่ไม่เจริญเพราะว่ามันเป็นขอของบาปของกรรมก่ที่ได้เคยทํามาเนี่ยดูมันมาส่งผลในตอนนี้ถ้ากรรมดีที่เราทาในมันนี้มันยังไม่ออกเดาออกผลมันก็เลยรู้สึกว่าทาดีไม่ได้ดีเห็นคนก็ทําช่วแล้วกลับได้ดีก็ก็เลยสับสนไปหมด แต่ถ้าเป็นภาคตูดามาแล้วจากนด้มสองายเนเนี่หลักของการทาดีได้ดีแต่ว่าผลนี้มันจะปรากฏเมื่อไนี้เท่านั้นเองทาดีวันนี้แต่คลยังไม่ากฏทำชั่วในวันนี้ผลก็ยังไม่ปากฏแต่ผดีในวันก่อนมันตามมาสมให้เอรีว่าทำชั่วมนยัได้ดีได้หือทำดีแล้วได้ชั่วนี่ก็เราว่าทำในรงไหให้ใหญ่รับ ดิฉันตาว่ า, า, า, วายัางไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมแค่จริงข้าวสุญญายังจะจะเข้าใจมรือจะไม่ไปเะ ด, กกะด็จเกาะเรื่องวิจารณาถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้มันตกกำมันนักกรรมนำบาคก็ลักมันไปเดี๋ยวไม่ต้องหอกใคเองมีแังจะรักษาความดีไว้อบ เวลาตกทุกข์ได้ยากขาดเงินขาดทองก็จะไม่ไปช่อกงไม่ไปรักขโมนไม่ไปทปิดสีเพื่อที่จะให้ได้ได้เงินทองมาหด อ, อยากขากแไม่มีาหารประทานก็จะไม่ไปยินนกตกว่าทงเป็นอาหารเก็บักกินตันมีอะไรกินหน้ากกิ น, นกินหน้าแล้วก็กกออกไป ใ น, นเรื่องสีลประตัติพละนันยึดติดอยู่ในเรื่องวิธีการเรื่องการกระทําวิธีการสะเดาะเคาะ์ต่างๆที่ว่าเป็นเป็นการการจะทำให้แก้ปัญหาของความความตกต่ำของชีวิตของต้องกาที่จ น, น, นแก้ในร่าง ดิเราทบาปมากขึ้นเชไปบูชาเอาเอาแก่เอาแพมาข่าเหมือนกับทำบาปมากขึ้นฆ่าสัตว์ตะกียก็พูดถึงเรื่อง่อเบือง่างตัวแล้วก็พูดถึงความสุขที่อย่างละเอียดที่อย่ที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่เกี่ยวกับเวทนาที่เราพูดยก ในภวาก็มีกามสุกมือทุกมือสกึกื อ, นนอทุ ก, <ม>ทกทแล้วเริ่เป็นความสุกทุกของขันเ่แล้วม่มีกามสุกทุกของจิตที่เกิดจาิที่สงบแล้วเียเป็นความสึกแชเป็นชาญลูประชาหรืออวิประชาแต่อันนี้มันก็มันก็ยังไม่เที่ยงมกันเพราะเป็นสมาธิยังเที่ยงได้จิตใารสุขอนันล้เอียงมาเดียวมัก็หาปไปนหอนาไป ที่ถ้าเกิดติดความสนใจนั้นก็จะเกิดความอยากให้มันเกิดให้มันให้หนึ่งให้หนึ่งมีอยู่มันก็จะเกิดความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมันเปลี่ยนได้าก้าวอยากจะยึดอยากจะติดตัวก็เหมือนกับเราพิจารณาเรื่องอะไรมันสุกหน้ามันไม่สุกข้าร่วมไม่สุกท่านนี้มี่มันสุดน้อยกว่าเดิมข้าร่วมสุนว่าเดิมไม่เท่ากันทุกอย่างที่จะไป รักษาในความสุขที่ละเอียดนังนให้มันนี้เพราะยิ่งพยายามรักษาเมื่อยี่งเกับความทุกข์ขึ้นใหญ่ๆนั่นก็ต้องปล่อยให้มันไปเป็นทรรชาติของมันพอปล่อยให้มันไปแล้วต่ อ, อกไปมันก็จะหายไปนั่นก็จะมีความความสุขที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ถูกความสุขละเอียดนี้เปิดบังยู่ยพอปล่อยความสุขอันนี้ไปมันก็จะจางหายไป เราก็จะเหลือแต่ความสุขที่เป็นตั้ั่นสุขครั้งน่อย่างนั้นก็จะเป็นก็เป็นความสุขที่แท้จิความสุขที่ไม้มีวมันจบมันจะเกิดจากเรื่องของของของปัญหาที่มางจรตคุณครูให้ฟังเพราะตอนนีเรื่องคำนั้นตัดเปลี่ยว่า เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรแต่อย่างได้ใจยังอยากยังมีความอยากอยู่ใจก็พยายามที่จะพยายามทุกวิถีทางที่จะรากร่างกายนี้ไปเวลาไปปกติไม่น่าจนั่งรถเข็นไปแต่ถ้าไม่มีไม่มีความอยากามอยางแล้วก็ไม่ต้องพยายามอยู่ที่นั่น มีพลังงานสุดขงังด้วบ้างก็ได้เพราะไม่เหดนพ่จิตความสุด ข, ของจิตนี้ไม่ได้อยู่เพ้นกับการรักสถานที่สาม า, กการถสร้างความสุดี้ไดบ้างที่ไทยทุกคนถ้าจิตมีกำลังพอที่จะหลกว่าวันตาอุปสรรคต่างเชื่อมนิวรต่างดูงงงงงที่ขอนั้นความสุด ข, ของจิตก็เป็นิวรนหา้าซึงการมาฉันทะก็คือความอยาก ถ้าอยากจะไปเที่ยวแล้วนั่งสมาธิไม่รู้เรื่องนะนั่ไม่ได้นะอยากจะมีนนังฟังเพลงอยากจะกินนั่งกินนี่อยากไปคิดนั่งนั่งสมาธิไม่ใช่เวลาทำไม่ได้ต้องตัดย่งนี้ได้ได้การละชั้นชาคืออุปสรรคถ้าจิตมีพลังมากแล้วอย่นี้มันจะเหมือนกับว่ามันจะพอพอจิตออก ออกกำลังนิเดียมันจะน้อเมเป็นแบบนี้น้องนเนหน้าเป็น่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีกำลังนี่ออกพักเปนยงมันก็ไม่น้อมไม่มีแต่จะพักเราหรือจะลากเราไปตามทางของมันใ น, นผู้ที่ต้องการพักนาความสุขภายในจิตนี้จะต้องผ่านน้วรวมทั้งห้ามในรนิวรทั้งห้ามในการแฏิบัติ มรือ ก, ก, กิจกิจขาทรในาสนาทะไในเรื่องพระพุทธทมัทธิเนียเรื่องทำอรในความสามารถของเราว่าเราจะปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้าเรามีความทำอะไรในสายในควา ม, มสามารถของเราเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เรา้สร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาราต้อเปรียบเทียบตัวเรากับพบาาาระทเจ้าพระสาวุคท่านจะเป็นคนธรรมานมีอาการสามพออิาราเราก็อมีอาการสามพตจารณา น, น ท่านทำได้เราก็ต้องทำไดะท่านมีการเราก็มีกายท่านมีการเราก็มีกายจะต้องหาล้วงบายคิดขึ้นมาเราดีกับท่านด้วยเพราะว่าท่านไม่มีคนสอนท่านเจอไปซ้ําต่ต้องพิจารณาต้องหาทางเองเราไม่มีคนบอกคอยสอนอยู่ตลอดเวลามีคนลากคนคอยจูงอยะเพื่อจะทําตามที่ท่านพูดอย่างน้เองารทำตั้งมั่นสงสัยก็จะหา่อ การมัสัญญาก็ใ้การสำมวจการหูจันอยู่ัอยากไปดูอยากไปฟังในในสิ่งที่เราอยากดูอยากหรืคนที่อดเล่าเบืลยอยากไปอยู่ใกล้เล่าตั้งอยู่อยากไปฟังเบื่อยก็ไ่อยู่ในป่าไปอยู่วัดป่าที่เขาไม่มีเบื่ลนะพยายามข่มใจเอา้เวลาอยากก็ขมใจเอาไขไม่ตายหล้วไม่ได้สู่อแ้ไม่ตายแล้วไม่หายใจแล้วที่ย่ ตายรได้สูตรบ่ตาคนเียวเาอยู่ด้านทีงเราอยูไม่ได้เมื่อเราเป็น่กักลุ่มของกลุ่มที่เขาไม่สืบบุรกันไม่กินล้ากันไม่มีบุี่ให้สไม่มีหล้าให้ดื่มเ๋ยวมันต้องแบบกด้านมันก็ต้องตามจิตเวต้องอยู่ห่างกันจากรูปเสียงกลิ่นรที่มันคอยคอยย่วยวนคนใจเราที่นอยู่ที่บ้านเรามันมีของวุ่นวพรวอมีตลอดเวลา ที่ยากโยมต้องไปไปอยู่ตามวัดตามลาจันเพราะว่าอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้เพราะจางไม่มีกําลังพอที่จะอต่อที่จะเสือมกับความเยื่อโยนของของสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าจางมีกําลังพอไม่ต้องไปวัดก็ไอยู่ที่บ้านก็ไดไม่กินด้วยังไม่ฟังด้วยไม่ดูไม่ยังมันมันง็หมดปัญหาไป การประชานะวิธีกิจฉาแล้วก็มีหนแล้วห้าตัวความไม่วุ่งเนาหางนอนก็อย่ไปกินมากสิงพอประมาณแล้วเนี่่วงเดี๋ยวไปอยู่ที่นน่ากลัวน่ากลัวดีอยู่ตาช้าอยู่ในป่าเปลี่ยวมันก็จะมันก็จะไม่ง่วงนอนความคิดสร้างความคุดสร้างก็ต้องใช้ปัญญามาแล้วนะ วลเนี้กังวลเอนี้กัองนการณาความแก่คาตายความท้าทาเสียการมันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเราไม่อยู่กับเราตลอดเมื่อสียวามนี้ก็่มนห้าได้เมื่อเราไม่สามารถรัาไม่ได้มันก็ต้องจัเอาไปอยู่นีของอะไรที่มันจะอยู่กับเรามันก็จะอยู่กังเราของะไที่มันจะไม่อยู่กับเรามันก็จะไม่อยู่กังเราคิดในเรื่อความเจั่งนี้ไ มันอยากได้ก็อยากได้จันการทำเรื่องดีที่สุดได้ก็ได้ไม่ไ้มนก็ไม่ได้เราดับความจิงความพุ้มซ้างต่างมันก็จะก็จะหายจะได้ความมุ่งเนื้อโลภความคุ้ม้างการรู้ค่าร้สึกาัความเฉลียวฉด้วอีกข้อหนึ่งอนไรอ่ะความรักต่อต้า เวลาที่เราเห็นีคนอื่นทำนี่ทนี่ไม่พอใจแล้วก็เกิดโทสะนั่งเวลาในวันสมาธิคนอื่นเปิดทอักส่นพิเศษเสียงด้านนี้แล้วก็อย่าไปกดเขาอย่างปกติเขาเขาอยู่ทาตามปกติเราก็พยายามเข้าไปห้ามก็ไม่ได้พยายางทำตัวเราให้เป็นแจ๋วไว้กแล้วกันถ้าเาป็นแจ๋วอยู่ที่ไหนก็สบาไม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ากาตัวเป็นผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตเนี่ยนะครใครทำอะไรไม่ถึงใจนี้ก็จะเกิดอามขึ้น ม, มาแล้คือเป็นงานยอมรกับสระบมานอนที่เกิดขึ้นเนจะตกแรงจะออกเหนื่อไปกดแค้งกดเขื่อนรจะปวดฤทธิยุ่ยใครจะทาส่างเสีื่ยนังก็อยากไปกบแข้งกดเขื่อถ้านั่นมองไม่ได้นีก็ไปหาที่ม้มอื่นนั่งใชเี๋ยว ถ้าผ่านไอตัวนิวงันั้ห้ามีนาลแล้วก็จะจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นหน้าก็ต้องมีสติตัตวนี้สติก็ต้องคอยเป็นจิตไว้มาให้ไปต้องคิดเรืาา่องต่างๆคนต่างๆที่นิวรันี่เมื่อเกิดจากการไม่มีสตินี่ยเหมือนก็ถูกลูกรากันให้คิดาาทางด้านกลางมัชชะให้ไปคิดให้สงสัยรังในในความวิถสัมผัสขเราให้ไปเกิดคน น, น, น, น, นี้กลุ่คนนี้ มันก <c ười> ็เกิดกากการขาสติเป็นเป็นหลักถ้ามีสติแรงๆแล้วก็อย่งนอยู่ส็ทนอยไรเราทุกอย่างมก็จะให้อยู่กับกรรมทานแล้วมันเกาะอยู่กับธรรมฐานได้มันอยู่ที่ไงแล้วก็ภาวนาได้อยู่ในโรงหนังเก็ภาวนาได้อยในโงละครมนถักก็ภาวนาได้ถ้ามีสติแรงๆไม่ไปสนใจอะไรกับใครองง่ะ ลุยเีวนี่ก็คือเรื่องของเข้าสู่ความสงบของจังเข้าสู่ความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากกัรหาคนามยากในต่ความสุขจากการหานี่มันมีมันมีเงื่อนไขเยอะหลายจะต้องมีร่างกายที่สุขสมบูรณ์และสิ่งต่างๆที่ต้องการก็ต้อง ต้องได้จังๆถ้าไม่ได้สักอย่างถ้าตาไม่ดีตาตาบนี้ก็มีเม่ได้อยากจะีหงืก็ดูไม่คือแต่ถ้าต้าความถูกทางจิตใจตาบอดก็ยังดีแล้หูหนวกก็ยังดีได้ไ่้ยินร่างกายก็ยังดีได้นิงานบางนางางนี้ถูกขังเนี่ยเพราะว่าแก้วตาเนี่ยได้ยิร่างกาย แต่ถึงตน้นก็ยังเป็นตละมนักรู้ทางจิตไม่ได้ตา ม, มร่างกายไม่ได้หาใจร่างจายไม่ได้าใจร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือจิต้มียึดความสุขอยู่ในตัวของสมด้วยการแบบว่ามีวอนห้าด้วยการดับตังหาดับกิต่าง เพานถ้าเกิดร่าง ก, กายเราเป็นอะไรก็ขออนุญาตถึงเทพจังนี้ว้ น, นะอยากจะกระเสือกระสงชื่ภาวนานนเนอมีานจิตให้สงบไม่ต้องอยากออกไปข้างนอกไม่ต้องใครเราจะไปไหนวันหเเรื่องข้งเขาถ้าเราถนัดเราจะรู้ว่าอยู่บ้านไม่เนี่ยดีกว่าบีกว่าออกไปออกไปแล้วมีอะไรต้องทำนกถ้าใส่เนื้อแต่ตัวแล้วก็ต้องเดินทาง ไม่เหลือนกับความสุขที่ได้จากการทากิจเทสนุกไม่ต้องหาบน้าถ้านก็ทำได้ให้เงินก็ทำได้ไ่้รถก็ทำได้ร่างกายจ็ดไข้เจ็บป่วยก็ทำได้แต่ถ้าจะไปหาความสุขทางนอกทุกอย่างต้องมีหลาจใจด้วยกันเงินทองก็ตองฟ้องร่างกายกต้องฟ้องรถมาก็ต้องฟ้อง วัตถุที่เราต้องการจะจังหวะหาเราต้องพร้องต้องมีอย่างดีร้อยห้เราดูมีวาคค์เด่นๆให้ดูมันจะเริ่มมีความสุขจำเนื้อหานี่รดอร่อยรอเราอยู่มันเหนื่อยยากตาชื่อเอาชื่อแหวกว่าตอสู้กับกิเลสต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราในท่ด่อเพราะฉะนั้น ม, มันแล้วมั น, ม, นมันก็จะแพ้เราตลอด อยากอยากไปยึดติดกับร่างกายอยากไปอาร่างกายอาศัยหาทางฝึกอยากไปหาทางฝึกทางตาหูจมูกจีน่าหาเลือดเสียงกลิ่นรสจกกิตตระหูไปหาทางฝึกอยากการทำจุดให้สงบด้วยสมาธิด้วยการขับจังเกเยร์ชำระปัญหาให้ไปจากใจให้ไดความสุขทที่ตัดิน คือสำคัญว่าน้าทีสังตุตารางสุดการสุดที่เหนือารางจุดความข้าของของจุดนี้ไม่ในทางสุดที่ดีที่ ส, สัดเท่นั้นะก็อยู่บริกเหมือนกันนะครับก็มีอะไูเนีย ความตน้นท่านอาจารย์พูดถึงถึงขันห้านะครับตัวรูปนี่ก็คงไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าตัวเวทนาสัญญาทั้งขานสี่สี่อย่างเนี่ยเป็นอาการของจิตที่ท่านอาจารย์พูดถึงตอนนี้ประเด็นอยู่ว่าทั้งสี่อย่างเนี่ย ทำงานกับจิตได้อย่างเดียวนะครับแม้ว่าสมาสังขารร่างกายที่มันดับไปเนี่ยสี่อย่างไม่ทํานามนะครับถ้ามันเป็นเวทนาที่ต่อเนื่องจากการมันก็จะไม่มีถ้าไม่มีร่างกายกาเลยถือว่าเราเจ็ดร่างกายเจ็บตรงนั้นมันก็จะเวทนามันก็จะเจ็บเลยทำาห้ถดได้ขึ้นมาในจิตเรลียนเป็นเวทนาการเป็นเพื่อเวทนา แต่ที่นี้เวทนาเนี่ออย เ, เราเรามีตัวที่เรืเร่องว่าเป็นทุกข์ในอ น, นิจจสัมภอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายไม่เจ็บไอ้ตัวนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้แต่เวลาโปล่ทันขึ้นมานี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วร่างกายเป็นปกติสบายไม่เจ็ไข้แน่ตัวอยู่แล้วแอร์ห้องตาอากาศเยนสบายแต่ใจรุ่ร้อนเพราะมนตัวทุกข์ที่เกิดจากสมัย ควาอยากมันอยากจะออกจากบ้านแล้นไม่ได้ออกอย่งนมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเวทนาอันนี้เป็นทุกข์ในใอริยสัจทุกข์ในเวทนานี่มันเนกิดจากเห็นรูปแล้วไม่เพะเห็นออสัมผัสกับอะไรอารมณ์ที่ผ่านมาต่างๆมันจะหมดจิตกายแล้วก็เกิดความสุขความความทุกข์ขึ้นมา เวลาสัมสความร้อนก็เกิดทุกข์เมตนาขึ้นมาสัมผัสกความเยน็นก็เกิดควา ม, มาทุกข์จมตนาขึ้นมาทำให้มันเป็นเป็นเมตนาที่ต่อเนื่องมาทางตาหูจมูกเป็นกายถ้าทุกในระยสะสั้สี่ทุกทุในระยัะนี้ไม่มีไม่ได้เกิดระยะไม่เกิดาติพอใจแล้วไม่พอใจที่อยู่ในจิตที่เห็นภาพนั่ง เมื่อภามันคนบงคนเข้าสัมผัสแล้วเข้ามีรู้สบายใจแต่เรากลับได้สบายใจก็เป็นเพราะว่าเราไม่ชอบภาพนั้นก็ได้มันนี้เกิดจากความชอบมไม่ชอบเป็นทําบรลลมไหมฮะได้จากสัมผัสด้วยทำบรลลมแล้วเกิดทุกข์สุขเหมือนกันหรือเปล่ามันเป็นความเป็นเป็นปัญหาปัญหาความอยากถ้าอยากอ ย, ากอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมา สำหรับคนคนเขาอาจจะชอบอย่างนี้เขาก็มันคืออาหารชนิดเดียวกันคนสองคนคนหนกินได้คนกินไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่กินได้เพราะเขามีความเขาชอบแต่คนที่กินไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบพอให้เขากินก็กินแบบขึ้นๆก็ไม่ทร่อยๆอันนี้มันเป็นความทุกข์ในอริยสัจ แต่ถ้าเป็นความทุกในเวทาานามันก็ต้องเหมือนกันถ้าอย่างพัาอย่างนี้นอากาศเป็นอย่างนี้ท้ายีนก็ต้องมีค่ามรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่ามันมันจบเื่องมนทุกภาพที่เห็นญาเหมือนกันเห็นาก็จะรู้สึกทุกขดทุกางถ้าอย่า้ก็จะเป็นความสัจธรรมในทางเวทนาแต่ถ้าเห็นภาพเป็นเดียวกันแล้วคนนึงกลับวุ่วาย เดือดร้อนขึ้นมาในจิตในใจนะี่อ น, นี้เป็นทุกในอนิจจสัมภาระเพราะอาจจะเห็นวนะ่าคนนี้เคยมีเคทำร้ายเรามาก่อนแลวเราไม่ชอบนในใอนนะที่นาเขาหรือความกรธแค้นกลธเคืองอยู่าในใจตอน้หน้าเขที่เรเคจะเกิดความเดือดร้นใจขึ้นมนาะทันทีแล้วก็เคยทํา้ายเราแล้วเราฝังลึกในควา ม, มรูม้สึกลึกใจนะ ผัวเขาพอเหานหน้าเขาแล้วว่าใจก็เกิดความทุกข์ใจขแต่คนที calendar, well ่ไม่มีไม่มีประสบการณ์นี่เอนเดียวกันเขาเห็นหน้าเขาก็จีเหนก็จะมีวิธีทางต่างว่าเนธรรมดาธรรมดาไม่สนอะไรกเรื่องก็อาจจะสุขก็ได้เพราะวันนี้อาจจะดีกับเขาคิดว่ความจร จะให้อธิบายหรือจะให้แยกแยะว่าอะไรเป็นเป็นทุกนานิกาศาสตร์เป็นทุกนาฬิกานางทีมันก็ไม่ไมมค่อยจนอันนี้ <reconnect ing around> ็มันไม่ได้พิจารณาอย่างอย่างรับถือทั่วเราไปบทีเราก็เลยนม่แน่ใจเราไปแยกยังไงคือขวามสงสัยนือว่าถ้าปิดลราร่างกายเราตายไปเดยวดับพุธเนี่ย เวทนาสัญญาทางขายินญานเนี่ยจะดับตามร่างกายลงไปไหมผมเคยรู้สึกอย่างสัญญาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับสมองสมองดับปุ๊บเนี่ยความจํามั้นก็หายไปคือเวทนาสัญญาสังข า, ายินยามันเป็นส่วนของจิตมันช่เป็นส่วนของกายเอาไปจนจิตนะครับตรงนี้ร่างกายดับไปตัวนี้มันอาจจะไม่ทํางานกันได้แต่มันไม่้มันไม่ได้หายไ นรัว่าถ้าเกิดไปไดร่างกายหมันไหวมันก็ทำงานมันก็ก็ทำงานขึ้นได้หรือไม่มีร่างกายมันก็ยังทํางานได้อยู่เพราะามันอาจจะยีง ม, มรูปรูปเสียงจินตนากาที่เป็นละเอียดก่อนนะที่ได้มาจากร่างกายเพี่อรูปที่เสียงที่ อ, อื่นที่เวลาเรานนหลับไปเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจเราก็ฝันเต่งรูปเสียงจินตนารต่างๆ แล้วก็มีความเสียวกับความทุกข์กับรูปสิงกิรที่เป็นเสียงคิศนะที่เป็นส่วนละเอีนดได้เพราะะนั้นนั่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างการนี่เป็นรูปรูเสิงกิรที่อะเหมือนรูปสิงกิรที่มันเป็นเหมือนกับสัญญาที่คือขอวันใจิมันจะเป็นส่วนละเอียดให้ส่วนละเอียดที่มีทั้งส่วนที่ดีกับเลวบนเตยอยู่ในจิตใช่ไหมครับท่านแล้วั่นไรมก็จะเลื่อนลง แต่เราฝันดีก็มีความสุขาราฝันไ้ก็มีความทุกข์ที่เื่นขึ้นมาก็เหนือแต่ทั้งตัวอืมใช่ันไม่เกี่ยวกับ่ากันเกี่ยวกัตมันจะเป็นเรื่องของที่อยู่ายในจิตเองก็คือเรื่องเรื่องที่มันเป็นตำลัรับสัมผัสรับรู้จากกระแสจิตของผู้ื่นที่เขามากินเข้ามาเี่ยก็ได้ที่เรามีเล่นเราไม่เล่นเลย น้วหนาเก็เรื่องที่มันทูกสางอยู่เนยิีเรนิ้วหนาเป็นเรื่องที่เข้ามาออกเข้ามาจากภายนอกคือท่านเล่าตำรี่เล่าก็สามารถติดต่อกับดวงวิญาณของผู้นั้นของได้นั่นจะเป็นภายนอกแต่เวลาเราหลับหน้อยู่ในฤิ์เาในอดีตเราไม่อาเหตการณน้นมันผสมปูแต ทำให้เกิดอารมณ์ต่างขึ GS, ้นมาในขณะที่นอนหลักตามใจได้ซ so ึ่งอาจจะเป็นจริงก็ไม่หรือได้อาจจะเป็นสิ่งที่ปูแต่งขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเวลาเห็นอะไรด้วยอะไรที่ที่ที่ที่หยามหรือละเอ็ยตามท่านก็สอนเลยว่าให้ที่พยาามให้เป็นไปมากยิ่งขึ้นเพรามันไม่เทียงได้แน่นอนถ้าไปยึดไปกดมันก็จะทุก ไปดูไว้ก็รักษาใจลราไปประรู้ไว้ช่างวาใส่ไว้ใส่นาคะาือถ้ามันเป็นการทางานเหตุการที่เกิดขึ้นเลยเราก็ลอดูไปถึงเวลาเห็นกับเที่กันเกิดขึ้นมันเหมือนกันหรือลถ้าเกิดมันเหมือนกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเราก็มีอะไรแปลกๆนะเรารู้เหตุการณ์ไดีดูหนังตัวอย่างก่อนเขาแล้วนร้อแต่ตั้งมันไม่มีอะไรมา สิ่งที่เราเห็นนั้นกับสิ่งที่จะเกิดขี้นนี้ตอนการกลางนันไม่ยังไม่เกิดเราก็ม่รู้ก็พยายามยึดจุดนั้นไปใหับแต่ว่ารู้ว่ามันกป่อยนางไม่ต้องยึดถไม่ช่เป็นพระสากเหมือนกันสารรักเหนกัอย่ที่สมุทยกับมาร์กนิทัถ้าจิตไปทางสนุกไทยก็พยายามยึดจุดเลยให้มาทางรัก ใ้มพิจรณละ้มองแตวางทุกข์ทุกอย่างนะครับจริงพูดเรื่องเวทนาแต่เราทเรืองที่หมาสัมผัสกับเรีสัมผัสกับร่างกาย้กรที่ที่เหมาะกับคําเราล้วก็จะรู้แ่เาเป็นจุทนาถ้าเราไม่เหมาะกับเราแล้วเราจะมีแต่ว่าทุกขน ที่ความเหมาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฝรั่งก็สัมผกับอากาศหนาวของเราเขารู้สึกว่ามันไม่หนาวมหรือว่าอากาศร้อนขอเราเรารู้สึกว่ามันไม่ร้อนมากแต่หลังเขารู้สึกมัร้อนมากของเราอาจจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเขาอาจจะทุกข์ทรมานใจนั่นที่ว่าเป็นเป็นปฏิกิริยาของเกลือที่เป็นสนิทไยดเป็นเห็นมากนะ ถึงวนะ่าถึงว่าถ้าเราสะัดตามเรานนที่เราม่เราเราเร า, เรารับไไดนะ้แต่ถ้าเราปรับใจเราได้นะเนาะมันก็ต้อเป็นอย่างเนี้ยไออตัวสนทางนี้มัก็บแบบไดอยกร้อยตาเพเรา้ว่ามันเป็น้วทนาเป็นทุกเวทนาแต่ไม่เลือกเป็นทุกตบ ท, ทุกเวทนาน มันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเรายอมรับสัจธรรมสความเป็นจริงเอความจริงมันอาตัวทุกข์ในอนี้จังนี้จะไม่เกิดถ้าไม่ยอมรับกับสัความจริงเป็นจริงนี้สมุทัยเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดทุกข์ในอนิจจังมันทุกข์ในเวทนาที่มั้คก็บครองด้วยกันทุกคนราก็ร้อนเหมือนกันเย็นก็เยเหมือนกันจะจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์เลยนอกจากว่าจะตับกันทั้งตนเอง่า้หรือไม่ ทีนี้พอจะแยกงยกแยกออกจากกาันได้ไามคะเดี๋ยวกอสุปขอมเข้าใจนิดนะคะที่ท่านพูดมา่สักคู่นี่สมมนิว่าเออโดยทั่วไปแล้วก็จะแยกระหว่างรูปรูปขันกับนามขันแต่พอร่างกายกตรหนารูปขันไม่มีแต่นามขันคือเวทนาสัญญาคงมีอยู่ถูกไหมใช่คะทีนี้กมขึ้นทุกอันรืัชก็ยังคงมีอยู่แต่ขึ้นแต่ว่า รูกกายที่เราจะไปรับก็จะเป็นกายอยาบหรือแายละเอียดก็จะเกิดทุกนื้อะสรรทันทถูกทอทุกเล้อสสารนี่มันขึ้นอยู่กับตัณหาสหคือสมุจัยส่ถ้าไม่มีสมุทัแล้วก็จะไม่มีทุกเนื้อารส่วน่นงานมะขันี่ถึงแม้จะไม่มีตัณหาแล้วก็ยังมีนามขังอยู่ขัก็ยังมี เพราะขันนึงเป็นอาการของจิตเหมือนตามาดมีเที่ยล้วที่เปรียบเทียบว่าฟองน้ํากับคลื่นในน้ําเนี่ยมันเป็นอาการของน้ําถ้าตามได้ยังมีน้ำอยู่มันก็ต้องมีฟองน้ํามีคลื่นนอกจากว่าถ้าน้ํามันลิ่งจริงๆมันก็ฟองน้ําก็มันีคลื่นก็ไม่มีจิตถ้ามันลิ้งจริงๆขันนึงก็ไม่มันก็ไม่ทางานเพราะขันนึงออกมาจากการกับเพื่องของจิตพอจิตกับเพื่อมสัญญาสังขารทํางาน มันก็เกิดเวทนาตามนะมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าวิญญาณได้รับลูกเห็นกินน็อตมาทางใดทางหนึงงงง่งทางทางอยาวหรือทางไร่านี้มันก็จะทําให้เกิดมีสัญญาสังขารเวทนาตามนะพอเราเห็นรูปปั้สัญญาก็จะทําอย่างไรรูปอะไรดีไม่ดีถ้าดีก็สุดเวทนาถ้าไม่ดีก็ทุกเวทนาสังขารก็จะเปลีย่ยแต่ ถ้ามันดีก็ต้องต้องหแล้วนะอยู่ใกล้เลยนะถ้าดีก็จะ <c oughs> ก็เวีขยข้าหาแล้วมันมางแม้จะมีร่างกายมันก็ยังรับไอ้สัญไอ้ไอ้รับไอ้รูปเสียงกิน่นราท า, ทางท้งท่ศเฉยละเอียดได้ที่เ ร, เรียรับรูปทิศเฉยทิศมันก็ยังนำทางทางนั้นทาถีนะ่มันจะเกิดในคนพวกที่ไปตอกย้ำลบในเรื่องในร่างการ อาจจะรับไอ้ลูกเสียงกีรติทางทางยากที่หน้าอั้วน่ากลัวน่าเกลียดน่าชังน้าอาคาตพยาบาทเครียดแค้นอะไรต่างบางทีมันไม่ได้รับมันก็ฝังอยู่ในจิตคือสัญญามันทํางานอยู่คิดถึงคนที่เรากรดเราเปื้อาฆาตพยาบาทมันก็จะมีแต่ความร่องร่อนทางจิตใจเขาผ่านกัจเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นทุกข์ในอัลลอฮฺ แต่เรื่องอันนี้มันไม่ค่อยสำคัญสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ตัวมรกและตัวสมุทยถ้าเราจะจะประเด็นให้ดูสองตรวนีว่าขอะ น, นี้ผิดของเรากำลังไสในทางสมุทยหรือไปในทางนะในทางปฏิบัาเราควรดูตรงนี้มากกว่าส่วนเรืญายาฉายาทั้งขายัานยันต้รู้มันเกิบดับเกิดดับอะไรรู้รำมันแล้วก็ขวางวางนะเพราะ ตะลุกไทยก็มักม่นก็อาศัยงานมะขามนี้เป็นโถ้ามาทำงานสมัยไทยก็มาอาศัยสังขารความคิแต่างาอาสัยสัญญาคิดถึงอาหารชิ้นนีงานนีาก็เกิดน้ำไหลไหลขึ้นมาเกับความอยากขึ้นมาสังขารก็ปลูกแตงแล้วไปหาอาหารนั่นมาลักทานก็ให้ดูตรงนี้กันนะว่ามันไปทางนั้นถ้ามันไปทางมักก็ก็ดีใช่กินเป็นเวลาเลยก็ การรับประทานอาหารได้เป็นเวลานอกเวลาก็จะไม่รับประทานเวลานอกจากดื่มน้ำอย่าเดียวน้ำก็ต้องเป็นน้ำเปล่าน้ำที่ไม่มีรสชาตไม่มีกลิมีสีเพราะเราดื่มเพื่อร่างการไม่ได้ดื่เพื่อจิตใจรับประทานอาหารน่ารับประทานเพื่อร่างการไม่รับประทานรเพื่อจิตใจการับประทานตามเวลาก็พอถ้าไม่ถึงเวลาก็อย่าไปรับประทาน ถ้าไม่รัทานก็เหมือนกับเรารัประทาให้กับกินหนยให้กับตมหาความอยากกินน้ําบบน้ำเป่าก็เป็นมักใน้จ้ะกีนเฟรชได้เป็นสมุนไใช่มับไม่ไม่ไี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่จม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ทม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่มาหม่ ยังไมโอกาสไม่นเสียงหลังเลยคือไม่ไม่จําเป็นจะจะเท่าหรือว่าถ้าจะเดือกก็เดือกเพราะว่าเราไม่จะ้ไปหามาคนนื่นก็ยกยื่นมาให้แลเราให้เราอย่างนี้เราไม่ได้ไม่ได้คิดมาจากของเราอย่าง้่นเดือก็ไม่เป็แล้วก็ต้องไม่ติดด้วยไม่ติดก็ใช่เดือกแล้วก็นั่งรอยใจล้าเรื่องเหมือนจะมาใครจะมาก็ แต่นววานี้จะไม่ได้แต่ถ้าอยู่ๆเขาก็ยกมาให้อย่างนี้เราไม่เรามีากฎกติกาของเราอยู่แล้วเราไม่ดื่มแต่อยู่ๆก็คนเขาให้มาที่เราจะไปเคร่งมากก็บางทีก็ไม่ดต้องจะลองตัดทานเ้ า, น, าน่อยนแต่เไม่ดี่ไให้มาเราก็ไม่เอาเพราะว่าันร่างกายมันรับไม่ได้ร่างกายเราล็อของหวานน่ก็ได้ <c oughs> แต่กระดามันร้อนไงขึ้นไง มันรับได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมเราเกินระดับนั้นนั้นมันเป็นโทษกับร่างกายเราก็ไม่รับคือในายกายจะเอาเงื่อนงาที่มีน้ำตาลในสมองของาทำให้ใช่คือเรามีเวลาถาม่องเราถามได้ขนาดนั้นระดับนั้นในเวลานั้นจะ ม, มากกว่านายรำหน่งคั้งถ้าถามในเวลานีน้เวลานั้นก็ต้องต้อ ง, อ ง, องน้ำไห นี่มันเรื่องเกี่ยวกับร่างการมันไม่ไจะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจร่างกายมันมันเป็นพิษแทนี่จะเป็นประโยชนมันมันเป็นโทษร่างกายแล้วจิตใจมันยิ่งย้ายไปกินอยู่แต่ไม่เหลือนอนถ้าไม่ได้กินังไม่เหลือนมยๆอาจารย์มีคถามครับ ใช่นะครับถ้าเบิร์ดไม่ไม่กล้าถามด้วยว่าจามีกระดาษให้เขียนนะครับมีปากกาให้เขียนนะครับใครถามอะไรก็ได้ครับว่าให้จามีอตอบบ้างคือว่าเอ่อมันมีกรณีนี้ว่าว่าเออคือมัณีมันมีว่าคนเขาอยากให้เราช่วยอะค่ะทนอาจารยทีนี้เราช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเออ ปรากฏว่าเขาเกิดไม่ถูกใจไม่ถูกใจเขาก็เขาก็ทำํำคือเขาก็ปฏิเสธการการช่วยเหลืออันนั้นเราทีแรกเราก็โกรธว่าอา้าวก็ขอให้ช่วยก็ช่วยแล้วก็ทําไมายังทําให้มันต้องยุ่งยากขึ้นมาอีกก็พยายามคิดว่าว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะจะทําให้มันเกิดผลเสียแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนใจแล้วอย่างเนี้ค่ะ ทีนี้ลูกก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยดีหรือไม่ช่วยดีเ้าหลังเข้ามาขออีกก็ทักก็อยากช่วยก็ให้เปลี่ยนใจบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีปัญญาว่าว่าถ้าเราจะเอาเรคือตั้งใจว่าจะเอาเรื่องเนี้ยมามาเป็นข้อพิจารณาเออ่ว่าว่าในทางธรรมอะค่ะแต่ว่ายังคิดไม่ตกอะค่ะการช่วยเล้วผู้อื่ถ้าช่วยแล้วทําให้เขาได้รับประโยชน์ แล้วก็ช่วยไปแต่ข้อสําคัญเขาให้เราอย่าไปหวังอะไรจากคนที่เราช่วยเนีือแล้จะมีความสําเร็จในบุญคุณของเราหรือไม่เราจะพอใจหรือไม่ทั้งนั้นเป็นเรื่องของของังเราอย่าไปอย่าไปเอามาเป็นตำนานเราเอาลับของของการช่วยเหลือของเราว่าทําให้เขาดีขึ้นทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นทําให้ทุกข์เขาน้อยลงเราก็ช่วยเหลือเขา แต่ได้พ่อไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องของเกาแล้วครั้งต่อไปเราจะช่วยไม่ช่วยก็ขึ้นอยู่ที่ความเมตตาของเราแล้กันถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็ไม่ถือียดสาถึงนะ้าในครั้งคราวที่แล้วเขาทำให้เราไม่สึกไม่สบายใจนั่นก็เป็นโทษของเราที่เราไม่สบายใจถ้าเราเป็นคนที่ไม่ ไม่มีความยึดติดกับการประทําของเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราควรจะดูตรงที่ผลที่เกิดจากการช่วยเลยวเค้ามากกว่าว่าทำแล้วได้ผลหรือไม่คือได้ผลดีหรือไม่ถ้าได้ผลดีเราก็ทำเดี๋อะเพื่อทำถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผลดีเขาไม่ได้ดีขึ้นถ้า อ, อยากไปทำทำแล้วมันก็เหมือนเดิมถ้อยากอยากไปช่วยเสียวเวลา นันเขาให้เราเรน้นอยู่ที่ประโยชน์ที่จะกกเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ <c oughs> ผู่แล้กันง้อช่วยเหลือผู้แล้วทําให้ผู้ของเขาดีข <c oughs> ึ้นได้ส่วนเรื่องความรู้สึก ข, ของเขาเนี่ยเราอย่ามาเป็นประมาณ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดเราคิดว่ามันดีสําหรับเขาแต่ว่าคือเขาแล้วถ้าเขาไม่คิดว่ามั น, มนดีสําหรับเขาอย่างนี้นเราควรจะ คือเหมือย่างเหมือนอย่างคุณแม่เนี่ยค่ะแม่เป็นเป็นป่วยเป็นโรคสมองเฉลี่ยทีนี้เราก็อยากจะให้ให้ใช้เวลาที่ถูกต้องออแม่ก็ไปเร่งนาฬิกาอยากจะทําอะไรให้เร็วขึ้นเรื่อยๆให้ให้ทันใจทีนี้อเราก็ไปเถียงกันเรื่องเรื่องนาฬิกาไปเรื่องนาฬิกากลับก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคือ ถ้าให้มันผิดเวลามันก็ไม่ไม่ถูกสําหรับสําหรับร่างกายแต่เอ๊ะเราไปทํานี้ก็ทําให้แม่เครียดต่ไปมามาเดี๋ยวเราก็เครียดก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเลือกอสายกลางอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการให้แม่เขาเคียดือไม่เครียด คื้แม่ไม่เครียดแต่ลูกเครียดแทนวลาไม่ผิดทานยาก็ผิดเวลาทานข้าวก็ผิดเวลาอะไรเงี้ยก็เอ๊ะมันไม่น่าจะดีแบบเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เครียดนี้มันหนักกว่าทานข้าวผิดเวลาหรือเปล่าของบางอย่างถ้าเราเราผ่อนผันตามก็ไม่ได้ล้วก็ต้องไม่ผ่อนผัน ถ้าผ่อนผันแลเกิดโทษกับเขาเช่นกินยาผิดเวลาหรืออะไรอย่างนี้แล้วทำให้การรักษานี้ไม่เป็นไปตาม ท, ที่ได้วางแผนไว้อย่างนี้เราก็ตามเราต้องผ่อนผ่อนผ่อนให้เขาไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าหมอสั่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ยิ่งถก็สมมติว่าถ้าเขยังจะเผลออยู่ยังจะเลี้อยู่เราก็ต้องปล่อยเขาไปเป็นชีวิตของเขาเมื่อพรพอใจที่เขาจะกินอย่างนี้ เขาปล่อยเขป่อยอย่างนี้เราก็จะไม่เครียดเท่าก็ไม่เครียแต่เราในเริ่มต้นเราก็ต้องบวกเขาก่อนว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้แล้วจะไม่หายจะเป็นโทษกับร่างกายเพราะไม่ทำตามที่หมอสั่งไว้แต่ถ้าเขาจะยินอยอ น, นว่าฉันจะทำอย่างนี้น่ะชีวิตของฉันตัวของฉันก็โอเคก็ทำไป ย่งแม่เป็นโรคสมองอย่างเงี้ยคุยกันได้ด้วยเรี่ยใช่ค่ะเหตุผลใช้ไม่ได้อ่ะค่ะเราก็ต้องทาอบายที่ที่การที่จะที่จะทำให้คำทาการที่เขาคนไม่ทำไม่ได้คนก้อนยาวนะแล้วเขาตั้งนาฬิกาแล้วก็แล้วก็ไปตั้งใหม่ก็ได้เลยเดือนเดือนดนาฬิกาเราต้องเผื่อเปลี่ยนนาฬิกา ตอนอ่านี้บงทีมั น, มน ไ, ม ไ, ไม่ใช้ก็มีอะไรบ่ายจิตปัญญาแบบ ใ, <ช>ให้มันทันกันแต่ก็สำคัญก็อย่าไปเครียดใจเราอย่าไปโกรธท่านอย่าไปอะไท่านเราต้องเข้าใจสถานภาพของท่านสะระสภาพเหตุการณ์มันเป็นยังไงใจของเราต้อง ต, ต้องต้องสับให้ให้รับ ก, กับสภาเหตุการณ์ได้งั้นเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ตามที่เราต้องการจะทําหรือว่าควรจะทําเนี่ยแต่ทําไม่ได้เราก็อย่าไปยึดติดกับไอ้ไอ้ไอ้สิ่งนั้นก็ต้องสรับให้มันาเข้ากับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะถ้กินตามเวลานะ่ยอย่าไปกินเกินเวลาก็กินไปทางนั้นก็จบหรือถ้าเรามีอุบายที่เราสามารถที่จะทําให้ ท่านกิน ต, ตามเว them, ลาด้าน้วก็ทำไปบางทีอาจจะมียายาแบบที่เป็นเมือนเป็นยาที่ลึกลึกไม่ใช่เป็นยาเป็นแป้งเนี่ยให้เขากินยาแล้ไปก่อนยาหลอดเาเลยคลาสิบเนี่ยเวลาที่เขาทดสอบยากับคนไข้เนี่ยบางทีเขาจะมีมีมีสองชนิดไงที่เป็นยากับที่ไม่เป็นยา พ่อโรคบางโรคนี่มันไม่ได้หายหรือหายเพราะยาแต่มันหายเพะจิตเพราะจากเขาจะรู้ว่ามันเป็นพอจิตหรือเป็นเพราะร่างกายที่ที่คอเป็นบางคนนี้กินยาปลอมเข้าไปแต่หายใจหายการียดใจรู้ว่าที่ยาทีา่ยาใช้ยาแต่ด้วยหลักก็คือต้องดูใจเราเป็นลัก แต่เราอยากไปทุกขกับกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นเราก็พยายามใช้สติปัญญาของเราเพื่อที่จะตับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอบได้เท่าไรทาได้เท่าไรก็เท่านั้นเท่านั้นเพื <c oughs> ่อเรามองภาพรวมว่าทํายังไงในสุดท่านก็ต้องตายเราก็ต้องการเหมือนกันแล้วเรามาเครียดกับไอ้เรื่องที่จะต้องตางยเหมือนกันนี้ทำไม เราก็เพียงแต่ปริญเวลาหเลยยืดเวลาให้มันออกไปทั้งนั้นเองเอในเรื่องของความความตายแต่ในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วถ้าเรามองเห็นภาพรวมอันนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้เราทําได้ก็ทําไปเราทําไม่ได้ก็ก็ถือว่าเป็นเหตุสือวิสไปแต่เราจะไม่เคพียรเราจะสบายตลอดเวลา กังวลใจเพราะมันเป็นเรื่องของเขาเนี่เรามาช่วยเขาแต่เราไม่สามารถที่จะจะช่วยเขาได้มากกว่านี้เพราเขาต้องการทําแบบนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้เขาทําแบบนี้ได้ผลลายผลเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกั บ, ขบเขาเอยู่ หรือทำดีอย่างไรมันก็เพียงแต่ยึดมันก็ยืดเวลาออกไปหน่อยทานพิจารณาปีนี้ทานาร ป, ปีหน้ามันก็ตายเหมือนกันกอให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันทุกอย่างมันจะเบาลงมันจะไม่ยึดไม่ติดกับเรื่องต่างๆมากาเกินไปคือทาเท่าที่เราทําได้ทำตายก็เพื่อตายไม่ทำก็เพื่อตายเหมืนอมนกันเมืาษาษาม่ตายชาเมื่ตานี้็ าการายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องตื่นเต้นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาใจก็ไม่ได้ตายคยือกับร่างกายใจจะเดือดร้อนธรรมดาใช่ไหมก็แค่นี้แหละถ้ามันเข้าใจหลังนี้แนละ้วมันก็จะรักษาใจได้ส่วนใหญ่เราหลงเราหลงไปอยู่กับร่างกายที่ส่วนหญ่ทุ่ทุทุกสิ่งทุกอย่างว่ากับร่างกายโดยปล่อยให้ใจ้ใเครียดทุกทรมานใจ กับเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเรามีธรรมะคอยสอนใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวสาระที่สําคัญตัวที่สาระสำคัญก็คือใจต้องรักษาใจมากกว่ารักษาร่างกายใจรักษาได้แตร่ร่างกายนี้รักษาไม่ได้ถ้ารักษาได้ก็เป็นเพียงชั่วคราวในที่สุดก็รักษาไม่ได้แต่ใจนี้รักษาได้ตลอด รักษาให้เป็นปกติให้อยู่อย่างสุดสบายได้ตลอดอย่างเราไม่รักษากังเรากับสรางความทุกข์สรางความเพลียให้กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเราหลงไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรักษาได้ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายของเราเท่านั้นร่างกายของคนอื่นเารักษาไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกาย ผมบาดเข้าของเงินทองสถานะภาพต่างๆเราก็รักษาไม่ได้มันนีอยู่มันมันมันมันได้อยู่ภายในการควบคุมบังคับของเราได้ตลอดเลยนะมันเปลี่ยนแปลงมันเลื่อนไหลไปอยู่แลเนี่ยเหมือนตาเราเนี่ยจับแล้วมันก็เลื่อนไปได้ได้ลาบสดสารสนสุดมานั้วเราเลื่อนไปได้ต้องแบกจับตัวใหม่มา กปจบมามันก็ลื่นก็ไปจำใหม่เก้ามี้นายก็วิ่งกันนั่งนะเดี๋ยวก็ลื่นห่นลงาเ๋ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็แบบเดียวกันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้นี่นอนงั้นอย่าไปรักษาพวกนี้เลยได้มาก็ดูยามันไปตามอัตภาพจะอยู่ก็อยู่แต่ไม่อยู่ก็ ก็ไปก็ไปแต่ใจนี่นต้องรักษาให้มันสบายอยู่กับทุกให้รับกับให้รับกับทุกสภาพให้ได้ถ้ามันรักกับทุกสภาพได้มันก็จะสบายใจมันจะรับได้มันก็ต้องรู้ทางรู้ว่ามันจะต้องไปจะได้เตรีตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอเตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะพอมันไปก็ไม่เดือดร้องพอมันทําท่าแล้วไปก็ไม่เดือเราอไม่ทันไปเลยมันเกี่ยวกับทำท่านั้นก็เหลือดร้อน เราต้องรู้ทันวิธีที่จะรักษาาจของเราให้สุขสบายต้องรู้ทันกับเสิ่งต่างที่ใจมันเกี่ยวข้องด้วยอยากไปยึดอยากไปจุดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปเกี่ยวข้องไปมีความมีความถูกมีความสําคัญด้วยหรือว่ามันต้องต้องต้องจากเราไปไม่ช้าก็เล้วถ้าอย่างนี้รา่างกายของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ตั้มกลางกลางเสี่ยนแปลงต้มกลางกาต ง, กา ต, งกาตา ย, ตายตการมาของทุกสิ่งทุกอย่างนปัญหาเรื่ อ, อจจงตาจัยนะก็ต้องอาศัยปัญหาบ้างเขียนก็ไม่รู้จะพูดอะไรการมีปัญหาอะไรก็ถามมาก็ได้พรามันก็เป็นประเดยนให้พูดได้ จะเรียนทางคล้ายๆกับปัญหานีกเนี่ยค่ะ<น>คื อ, อ, อในการทำงานเนี่ยเราถูกตาหนิติเต็งเรื่องตัวสะ ก, กดเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะ<น>แล้วเราก็มีความสิดว่เาเขาเขาไม่ควรจะมามายุ่งกับเรื่องนี้อยคะ<น>คือเราทํางานให้เขาแต่เขาไม่ทราบอย่างเงี้ยนะคะแล้ว น, นั้นลูกก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องกลับแล้วก็ให้เขาดาเนินการเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วแต่เรามาคิดอีกทีนึงว่ากาจะทำแบบนี้เราจองเลยหรือสปล่าเราสร้างการรืเ่าคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยเขาก็เขาก็จะพเพราะละเวคลูจะไม่มีฝามีเสียงอะไรเงี้ยคนไม่มีฝามีเสียงก็จะจะมีกับถูกนีนี่เงี้ยแต่ถ้าเป็นไหนฝากจาดเสียงเขาก็กี่้เสียงเราเลรู้สึกว่าต้องให้รแรงให้เขาเห็นอะไรเงี้ยขอส่งเรื่องคือให้ดาเนินาการเอง เราจะทํำอะไรก็ขอให้เราใช้เหตุผลเราอยากไปใช้อารมณ์ถึงถึงว่าถ้าการตรําหนิของเขาเนี่ยมันถูกต้องแต่แต่แม้งงเราจะไม่ชอบเราก็วาควรจะยอมรับคําตําหนิข อ, ของเขามากกว่าที่เราจะไปมีปฏิกิริยาความไม่พอใจกับเขาแต่ถ้าการตรําหนิของเขานี่มันเป็นการเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับ ก, บการทํา ง, งานอะไรนี่ก็มันก็ นิ่งเฉไปใช้สมุดเรื่อไม่ต้องส่งเกินแน่นอนแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางไว้ฉันคิดมันจะต้องส่งต่อเขอเรียนอานี้ไม่ถูกต้องอยางนี้ทำให้เารู้กว่าเขาเจ้าการมากไปเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขามันเป็นเรื่องของเขาเราทําให้แต่เขาไม่กล้าถ้าพอเราส่งกลับเขาต้องทําเองใหม่ทั้งหมดดี แต่เราถ้าเราม่มีความทีว่าเขาเขาเห็นว่าเราไม่มีกลัมีเสียงเขาก็จะรำคาคือมันก็อาจจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมเพราะว่าเขาก็คงจะไม่พอใจกับการที่ทางเราเมื่อเขาไม่พอใจการที่จะเป็นเป็นเคพื่อนที่รักกันก็คงจะเป็นตายโดยด้เพราะมันก็มี เรื่องมีข่าใจอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราทําใจวางเฉย เ, ยเขาจะว่านไงก็ทําหูทวนลงไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่อไปอย่างนี้มันก็ก็ได้ไม่ใช่เนี่ยนี่เขาจะรู้ไม่ ร, มรู้ก็ไม่เห็นแหละถ้าสมมติว่าเขาตําหนิ้เขาไหวยังไงแต่เราไม่แก้าตามที่เขาสั่งแล้วก็ทําทํางานของเราต่อไปทั้งนลังเหมือนกับเขาภาษาข้าหลังก็เลยว่าอีกงวด<ม><ม>ก็หลุดไป ให้ความสำคัญกับที่เขาพูดถ้าทำได้แล้วก็ทำง่ายไปมันมันจะนิ่งนวนกวาการที่เราจะกลับไปสอบโต้เขาไปสร้างความไม่ไม่ไปสร้างกรรม <Okay. S 1> แต่เราไม่จำเป็นที่เราทํากตามเข้าเสมอไป mm hmm. ถ้าเราถ้าเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทํานี้มันถูกต้องอยู่แล้ว mm hmm. ต่ถ้าพูดาําตามหลักวิชาการ เขาว่าเราผิดตามหลักวิชาการเราต้องส่วที่จะแก้เราอยา่าไปถือทิฐิในตัวเราว่าเขาเอทาหนี้เราไม่ได้อย่างนี้ก็จะเป็นโทษของเราแต่ถ้าการําหนี้ของเขานี่ถ้ามองตามหลักวิชาการแล้วไม่ไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องแก้ายอะไรอย่างไรในรูปแบบเดิมนี่นําใช้ได้ดีอยู่แล้วเราก็ผ่านไป เขาจะถ้าเขาไม่พอใจหรือกรธเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่สุดที่ใส่ที่เราไม่สามารถที่จะไปไปไปห้ามเขาได้อย่างนี้มันก็จะไม่มันก็จะเบากว่าเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปไปสร้างความไม่พอใจจากการกระทําของเราแต่เขาจะไม่พอใจจากการที่เราไม่กระทําอะไรไม่ไม่ไม่ตอบสนองเขางนี่มันก็ช่ว ย, ยได้ ถ้าเขาได้สติถ้าได้อะไรเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ว่า อ, อตัวเขาเองนี้เป็นผู้ผิดถ้าอย่างนี้ก็ก็จะดีกว่าในหลักแล้วก็ขอให้เรานับได้ทั้งสองแบบคือทำการสารเสียการชื่นชมยินดี กับการําำนิติเตียนโดยด่าว่าก้าวมินทากะละคาลาหาขอให้เราทําการให้รับได้กับทั้งสองส่วนนี้ส่วนที่เราจะปฏิบัติแก้ไขดับใงอย่างไรนี้เขาให้เราใช้หลักของเหตุผลว่าควรจะแก้ไขตามที่เขาพูดหรือว่าควรจะรับความชมตามที่เขาชมหรือไม่เพราะเขาชมบางทีก็คําออกมาจากไม่ได้ออกมาจากพื้นฐานของความชริงก็ได้ เราทำผิดแต่ก็บอกเราทำถูกอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกเราต้องดูตัวตัวเนื้อหาของของเรื่องนั้นว่ามันถูกยหรือผิดหรือแม้เขาว่าเราเขาว่าเราถูกแต่เรามาดูให้มันไม่ถูกนี้ก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องแก้เองแต่ถ้าของเราถูกอยู่แล้วแล้วเขามาว่าผิดเราดูตามเนื้อหามันไม่ผิดอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปแก้แล้วเราก็แล้วก็ยืนยันว่าให้ปล่อยให้เป็นอย่างนนไป คือให้เห้ถือหลักพันจริงไว้เป็นเป็นตัวตัดสินเวลาใครทาตําแหน่งเรามันก็ดูว่าสิงที่เขาตําแหน่นี้จริงหรือไม่เพราะท่านสอน ว, ว่าการตําแหน่งนี้เหมือนกับการเอาเข้าจ่อมาสองหน้าหลอกเพราะเราไม่สามารถมองเห็นหน้าขอหัวได้เวลาจะแต่งหน้าตาเปล่าเห็นตัวดีเท่าหรือผมเนี่ยเราต้องมีเข่าจ่อเราต้องรูงว่าเราทาถูกหรือไม่ คนที่เขาเห็นความผิดตองเราเนี่ยก็เป็นเงินกับจักท่านเตือนนะาเป็นคนที่คุณชอบให้กับเราแล้วก็คนที่จะพิจารณาดูตามที่ทขาชี้บอกว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม้ถ้ามันไม่ดีหรือกิดอย่างที่เขาพูดเราก็ต้อคนจะแก้ทำแล้วคนที่จะยกมือไหว้เขาจะอด้ทำตามที่เขามีเรื่องการที่ความผิดของเรา วาถ้าเราไม่มีคนคอยบอกเราแนละ้วเราก็จะผิดอยู่เร่อยๆในการที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เพื่อให้ท่านได้ชี้ความผิดของเรเพราเรามีความผิดมากกว่าความถือถ้ามีความถูกมากวามมากว่าความผิดนะเพราะเลยต้องอาศัยความถือถ่าถือมากกว่าถังแล้วไม่ว่าใครจะจะสารเสพเนี่ยจกนินทาทำหนีว้ว่าการจุดเงิน อย่าไปอย่าไปถือสาระของคำพูดเป็นหลัเขอให้ถือความจริงของเรื่องที่เขาพูดเป็นหลัถ้าพูดแล้วมันจริงถ้าถ้าเขาถามว่เร็จแล้วมันจริงกะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่จรงเหละ่ะนะไม่ได้ไม่ได้ยกยอเพื่อเอาออเอาใจเราเขาพูดจากความจริงแต่แล้วถ้าเขาพูดเรามันไม่จริงเราก็รู้ว่าเขาจองแหละ เรารู้ว่าคนนี้ปากปเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้ดูคุณระดมแบบต่างๆเป็นอย่างไรไมเมกับก า, า, า, ารําหนียบปเทือรีนทถ้าตขาทำเนียบเไม่็นความจริงทันทีว่าเขาเปลี่ยนเราเขาไม่พอใจเราเขกลีเราเขาพูดด้วยอารมณ์เราก็อยากไปคุยตาาเพราะเขาคนที่เขาจะเป็นคนที่ทุกทรมานใจ เพราเวลาเขาไม่เขากรธเขาเปลี่ยดเนี่ยมันมีไาถ่ายใจครับเราควรจะสงสารเขาเพิ่มมากกว่าก็อยอมให้เขาพูดไปเมื่อเขาพูดแล้วเขาสบายใ จ, นนจก็เป็นเหมือนกับเป็นาการมีการทําดียกโทษให้กับเขาไปให้ให้อภัยลบไัอภยอัยโยธาขอใ ห, ให้ให้ดูตรงนี้เป็นละ อยาไอย่ไ ป, อยไปดูอารมณ์ของเราเพราะโดยอารมณ์ของรส่วนใหญ่นี่มักจะไม่ยอยการตัมเตเพราะพะเจ้างต้องกหนดมันตาวานาขึ้น ม, มันตาวานานก็คือวันที่ให้ประสงค์ยุบยุบเปิดโอกาสให้พระรูกถ่นตนัเมิเตคนเองได้โดยปกตินี่ทุกถึงเดือนจะมีการลประชมุมเพื่อฟังพระปฏิบัติในวันสุดท้ายขงพรร นี้ท่านจะไม่ท่านจะให้เกินวันต่อนะแทนคืออยู่กันมาสามเดือนนะเห็นท่าแท้ของแต่คนแล้วต้อเป็นอย่างไรนี้ท่านจะไมตตาชี้บอกว่าทำอะไรคือดท่าจะได้อาไปแก้ขไขแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่ไม่ยกเว้นตัวพระองค์เองตรงเปิดโกาสให้ท่านเองทุกท่านลองได้ คือที่มาของการภา ว, ว, วนาคือให้ยอมรับการตำหนิของผู้อื่นจะถูกหรืจะผิดให้เออกมาวิเคราะห์ดีๆในคำภาวนาท่ า, น, วว น, า น, นก็พูดเลย ว, ว่าการกระทำของเราที่ท่านเห็นก็นดีได้ยินก็นดีสงสัยจะดีขอให้ท่านบอกมาเถอดพร้อมที่จะรับฟัง นสมัยปัจจุบันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้ตอนาเปานแบบจริงจังแล้วตอนาตป็แบบพิถีการโดยฐานคนก็ต่างกล่าวคำบาลี่าทร้างคำตัเตหวาดยดึดเรื่อว่าสุเตวาตั้งใจว่าก็หมายคามาถ้าการกระของขาก็จ้าเนี่ยที่ไเห็นจะดีได้ยินจะดีสังสารจด ว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ขอให้ท่านสมว่าเก่าตับเตืนพระพเจ้าด้วยเถิดคือความหมแต่พูดเป็นภาษาอาวุโสแล้วก็ไม่มีไทยว่าเกาตักเตอนว้าเจ็ดภาษาทุกต่อหลายภาษาทุกท่านสมัยท่านอยู่บ้านตานี้ตรกตาท่านท่านท่านภาวนาภาวนาเหมือนกันแต่ท่านท่านอาวุโสเริ่มต้นกับพระอาวุโสก่อน ท่านถ้ามีกำลิศเตรียมรูปวัดต้องไหมครับว่าองไหนยังไงอะไรทั้งหมดเตรียทุกวันอยู่แล้วอยู่แ้วคือการองที่ปฏิบัติีือว่าเมื่อเข้าวัดแล้วอยู่ในหมู่คณะแล้นี้ต้องต้องตั้งนาฬตกาจับเวลาเป็นต้องตรองอยู่เวลาการที่เป็นพิธีกรรมขันการนะครับทำเป็นเป็นเป็นห่วยกนประกาศวันวันมอบประกาศธรรมยมบัดยเงี้แต่ทางเดเป็นวันที่เรา ทุกวันตั้งแต่เราเข้าไปในในสังคมนั้นเราตั้งแต่วันนบวดเลยที่นีนเราต้องพร้อมที่จะรับการว่ากาวตําหนิเตือนเพราะการบวชการเรี้ก็เพื่อการที่จะมาพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องรู้ว่าส่วนที่เสียมันเป็นอย่างไรเพื่อจะได้แก้เขาดับแสงนั้นเองเป็นต้องมีการการตาํตตาหนิอันะี้มีว่าการตักเตือนกัน ถ้าสังคมรับการตากราทาได้นร้วโลกนี้นก็จะไม่มีปัญหา<ม>แต่ก็ผู้ผู้ผู้ว่าเก่าแต่เจินก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าคนที่ผู้นั้นจริงหรือไม่นะก็ออกมาจากจิดที่มีกุศนหรืออกุศล<ม>ถ้าถ้ากกำลังโกรธกำลังเกลียดก็อย่าเพิ่งไปว่าก่าแต่งเติน ให้ใจให้สบายตอนนั้นมาดูก่อนว่ า, าการกระทำของเขา่ผิดและเป็นทั่วกับขเขามากกว่าเป็นคุณเราเป็นขาทาํนีิกะก็อยากจะให้เขาได้จเจริญในธรรมแล้วก็ต้องว่าก่าตัดเต็นไปแต่ในหลังเราในทางเชิงปฏิบัตินี้ก็จะมีคนเดียวที่ว่าก่าตัดเตนในใน็นได้ก็คือครฟูบาอาจารย์รือพระเถรละคือ คือพระผู้น้อยกว่ามีความเค้าลึศรัทธาเรื่องใสแต่ถ้าถ้าคนทนี่เขาไม่เขาลึกศรัทธาเรื่องใสไปว่ากาลทำเนียติเตียนเขาเขาอาจจะรักไม่ได้แต่นผู้ที่แย่ย ว, ว่ากาลทํานียติเตียนพูดก็ต้องดูศรัานะภาคของตนเองเพราะมันมันจะกลับเป็นโทษกับตัวเองได้เพราะจะเป็นเวรเป็นกรรมเปนที่ไหนไปว่าเขาเลยเขาโกรธยู่ เขาก็จองจองจองอะไจองต่างเลยเลยเวลาจะจะว่าการตัดเป็นใครก็ต้องดูว่าเขาเขาปภาวนาตัวหรือเปลเขาพอหรือเปล่าถ้าก็บอกว่าถ้าท่าเห็นว่าผมทําแล้วไม่ดีช่วยบอกคนอื่นหน่อยอย่างนี้ก็ขอที่จะบอกกันนะเป็นในสังคมคารวะเขาจะไม่มีการภรวนาแบบนี้นะแต่แต่เพื่อนฝูงกันบางทีก็ ไม่กล้าที่จะติดติดเตียนกลัวจะขุณคล้องหมองใจกันเพรสนใจใเป็นมารยาทนอกจาในสันงคมพระุก ว, วนันก็ไม่ไกล้าว่ากลาตัดเตียน ก, ากันก็<อ>ทำตามตตามพิธีเนื่อง<ช><ช>จากในวงพระปจุบัติที่ท่านจะอว่า ก, าากาล่าวตัดเตียน ทีนี้ลกนั่งไยแล้วไม่ไม่พี่ไม่ระบุชื่อเลยครับ น, นะ <c oughs> น่งไปแล้วแล้วก็พี่ผู้ชายเขาขับรถนะฮะแต่แล้วมันจะต้องเลี้ยวขวาทีนี้รถมันก็ติดใช่ไหมคะมันนะก็จะมีรถที่พยายามจะแซง <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในเลนที่ถูกกันนะคะแต่ว่ามันจะมีคนอื่นที่พยายามแซงแซงใช่ไนหะมคะทีนี้พี่ผู้ชายเขาก็ไม่ยอมให้แซงเขาบอกว่ามันไม่ถูกเพราะว่ามาทีหลังอมาทีหลังไ <c oughs> ม่จ่ไปก่อนได้ยังไงเนี่ยเท่าที่ถึงตั้งนาน พี่หญิงเขาบอกไม่เป็นไรหรอกให้มันเถอให้มันแสกไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ชายบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องแจวแน่แก้ไขในสิ่งที่ <c oughs> ว่าสองคนก็เถียงกันลูกจริงๆอยากเข้าข้างพี่ผู้ชายนะคุยเดี๋ยวเขาทะเลาะ ก, กันก <c oughs> <c oughs> ็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะให้เขาแสกไหมควรให้เขาแสกเ <c oughs> นี่ยปัญหาไม่อยู่ที่จะให้เขาแสกไหมเก็แสกแสอยู่ที่ว่าคนสองคนเนี้ย จะจะยุกติได้นหรือต่างคนต่างเงียมได้หรือป่าถ้าต่างคนต่างเงียได้ก็จบคือไม่ได้ถึงจะทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าไอเดียไม่เหมือนกันเมื่อต่างคนต่างแสดงออกมาแล้วก็หยุดกันแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของใครถ้าคนขับก็มีหน้าที่ขับก็ปล่อยก็ขับไป คนนั่งมีหน้าที่นั่งก็ น, กนั่งไปแต่คนนั่งเไม่ยอมมาไม่มาคนเราคนที่สามก็ต้องนั่งเฉยเนี่ยฮคือจะรู้ว่าทุกคนต้องนิ่งทุกคนต่างทำหน้าที่ไปคนนั่งก็มีหน้าที่นั่งก็นั่งไปคนขับก็มีหน้าที่ขับก็ขับไปเขาจะขับแบบไหนก็เลือกของเขาถ้าเราไม่พอใจบ้านเราเราก็อย่าไปเขาขับ เพราะถ้าเรื่องเกิดการทะเลาวิวาดกันแล้วเนี่ยมันมันผิดทั้งคู่อย่างหลวงตาเนีตยถนมีกดอย่างหนึ่งถ้าพะระเองทะเลาะกันเนี่ยท่านบอกว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ออกไปด้วยกันทั้งคู่จบหลวงจะไม่ทันจะใครทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันก็จะไม่ไปถึงท่านไม่มีไครไปฟ้องท่านถ้าใไปฟ้องแล้วก็ออกไปด้วยกันไม่งคู่ นั่นต่างคนต่างไม่ได้มาเพื่อมาทะเลาะ ก, กันเมื่อไม่ไม่มีความเห็นไม่ตรงกันก็ต่างคนก็ต่างเสร็จไปก็แล้วกางอย่างที่เขาไมยมพูดกันว่าส ม, มุนส่วนต่างแล้วประสานส่วนเหมือนส่วนที่เหมือนเราก็ประสนานกันส่วนต่างแล้วก็เสร็บไว้ในใจรองเราเรื่องก็จะจบอยู่ในสังคมนั้นก็อย่างนี้แหละคนเรามีความคิดเห็นมีทิศเยียที่หลากหลายไม่เหมือนกัน ส่วนที่ไม่เหมือนกันเราก็อย่าเอามาชนกันเอาส่วนที่เหมือนกันมาเนี่ยพวกเราที่มาทำบุญกันได้เพราะเราส่วนที่เหมือนกันมามเรามีความตั้งใจที่อยากจะมาทำบุญด้วยกันเราก็มาส่วนที่อย่างเอื่นนีจ ะ, ไ ม, จะจไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็ไม่เอามาเป็นประด เ, เระด็นสาคัญเอาเราประเด็นสาคัญก็คือขอให้มาให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเลยเาั นั้นพยายามพยายามใช้หนักนี้ไว้เราจะอยู่กับคนหนึ่งได้ส่วนไหนที่เราไม่พอใจเราก็ติดใจแล้วกันพ่คอครับพอดีว่าจะกลับกรุงเทพก็หลวงพ่อขอถวายขอทำบุญมห น, น่อยนะจ้ะนั<อ>่นเองทำบุญใเลยครับ คนหนึ่งจะถวายของจะถวายงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงอนงานงานงานงานงานงาะงานงาองานงานงานงนงานงางานงานงานงานงานงานง่นานงนงาเงาานางนนาาาน ไม่มันไม่ค่อยทันแต่ว่าแต่ว่าเห็นนะคะคือก่อนที่ก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยไม่ค่อยทันนะคะแต่หลุดไปแล้วเนี่ยอย่างเห็นนะคะเราก็พยายามดูว่าช่วงนี้อารมณ์เป็นยังไงคิดเป็นยังไงหรือว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นทําไมเราถึงมีความคิดที่มันในทางลบเพราะว่าเราติดอะไรอะไรนะคะก็พยายามวิความห์อยู่นั่นแหะคือจุดของการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะเข้าไปถึงตัวนั้นตัวสังขารทางเพืเปลนแปลถ้ามัวิชาผัยนันก็จะพิจารณในทางโลกที่เป็นทางผิวถ้ามีธรรมะาักยมันก็จะพิจารในทางทางเ่วิชาปริยาสัาพอมีวิชาความหลวงต้ อ, องานต้คนหยยาง ย, ย, ย, ยัตัวยดเดินยมีเป็นอออกมา 3, 3, ทางสงคิดนี้น ถธรรมะที่เราเถึงอา น, นิจัทงทุกข์ายทุกข อ, อยู่นี่มันก็จะออกมาด้วยความปล่อยวางคิดอะกักทีอยากจะปล่อยอยากจะตัดอยากจะไม่มีอะไรก็มีอะไรเป็นทุกข์อย่งนั้เนีครับถ้ า, ถ, าถ้าเรื่องถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะจะเห็นเกิดที่ที่สำคัญว่าอยู่ตรงไหนสุธันยนี้มันเป็นได้ทั้งมรรคและเป็นสุธัย สังขาเนี่ยอวาที่พวกของเราเนี่ยมันเป็นง่ายทั้งมักแล้วเป็ น, ใ น, ในยย้่าทั้งสมุทัยคือที่ว่าเราจะทันมันหรือถ้าเราไม่ทันมันก็จะไปทางสื่นทางเพราะมันมันเป็นเจ้านายของวัญจาอยู่ตลอดเวลาทาของเราถ้ามีมากขึ้นเท่าไรมันก็จะรู้ทันรู้ทันอริชารู้ทันกิเลสมากขึ้นมันก็จะเ่อนมาในทางมักเลยมากขึ้น เพราะตอนต้ น, นที่เราศึกษาเราก็จะสะผมหนังสือก็รู้สึว่าเรื่องนี้ก็ดีเรื่มเล่นก็ดีแต่พอเริ่มปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่ามันยังดีไม่พอมันเป็นแผนที่ต้องเดินทางการเดินทางก็พอพอไปเจอของจริงนะทีนี้มันก็จะอยู่กับของจริง มีมีหนังสือเป็นเป็นเหมือนคอลเลคชันนะคะแม้แต่ก็เก็บมาตั้งแต่เด็กก็เก็บมาเรื่อยก็ตอนจะบริจาค ก, ก็ติดอย่างติดว่าเออมันไม่ใช่แค่หนังสือนะมันเป็นอดีตของเราแต่แล้วก็ก็เออเราบริจาคสักแค่นี้แล้วเราเก็บอดีตไว้สักห น, น่อยดีไหมเราก็นึกถึงคิดถึงอารย์บอกว่าอยู่กับปัจจุบันก็จะไเก็บไว้ทงไมเก็บย้อนไปได้อีกสักเท่าไหร่ก็พยายามพยายามเคลียร์ไปว่าเออถ้าเก็ดว่าเราเริ่มจาก ค่อยๆปล่อยมันออกไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็คงปล่อยได้มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากเล็กๆก่อนอเง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะอย่างของของง่ายจะหาของยากของนอกกายมันง่ายกว่าของของในของของกายเราถ้าต่อไปเราของของง่ายยังทำไม่ได้ของยากเราทำยังทำไม่ได้ถ้าทําของง่ายได้แล้วต่อไปของยากมันก็จะทําได้ ของภายนอกถ้ามันไม่มีความจําเป็นไม่มีความสาคัญก็อย่ากเก็บไว้ก็ถ้าไปะจายจ่ายให้ผู้อื่นแล้วกเกิดประโยชน์ก็ให้กันไปดีกว่าสังเกตไว้เท่าที่มันจําเป็นมันมันเป็นประโยชน์กับเราต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไ ร, ระพลุนพลังนะขอให้ปฏิบัติอย่าประมาทนะบางทีที่เราประมาทเราปฏิบัติมาเยอะแนละ้แล้วก็ ลองไปทำกับงาน อ, าอื่นงแล้วก็คิดว่ายังปฏิบัติอยู่นิมัตจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูว่าเราปฏิบัติจริงๆในต่รางน้มนก์น้อยเป็นคนที่จะเพิ่มให้มันเพิ่มคนมากขึ้นงานงานภายนอกงานเรื่องงานอื่นๆนีเกี่วไปเที่้วดูงานสำคัญทำเท่าที่จาเป็นยริงๆถ้าไม่จาเป็นกอย่าไปทำ้มันผีกเวลนะ้ ถึงแม้จะเป็นงานกางกุศลมนี้ก็เป็นงานส่วนใหญ่มันไม่เหมืนอนทำงานภายในจิตของมันงานภาวนานี้เป็นงานส่วนละเอยียดถ้าเราเข้าเสียงานแล้วอียดแล้วเราอยากกลับไปทำ ง, งานอย่างเหมือนกับมาถ้าเราถัดเราเราใช้ใช้กบแล้วใช้ใช้กระาาดาษกระดาษทายมาขัดแล้วอย่าไปเาขวานเอามีมาฟังมันขวานจะมีดมันมีงานหยากเหมาะกับตอนที่เราตัดต้นไม้ตัดไม้มาให้เป็นต่อน แต่พอเราเอามาเลื่อยเอามาเป็นแผงทำเป็นแผงนลําใช้กบใช้กบสายมันนะแล้วก็เอาลงลงด้วยถัดด้วยรนนะกระนาษทายแล้วท่านต่อไปก็ต้องลงสี่อไม่ใช่เอามีดเอาขว้านมาฟันถ้าเราเข้าสื่อ ง, งานภายในแนละ้วก็อย่าออกไปงางานภายนอกถ้างานภายนอกต้องทําก็เป็นงานที่จําเป็นจริงๆคือบางทีมันก็ จําเป็นพอเราอยู่เกี่ยวข้องกับคนนี้คนนี้หรืองานการเุ็นที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้บางทีก็ต้องฟังงานสพงานอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นมัก็จะลาตายเปิดที่เว่ยทํางานภายในงานที่เอียดเพราะงานงานยากภายในน่ามันจะมาทำมางานละเอียดทายในทำมาท่าบาท่าใต้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ทำงานตายนอกแล้วก็หายไปงานต่าง จิตเคยสงบเนี่ยไม่สงบนะกลับมาภาวนาใหมา่ภาวนาเนี่ยก็ไม่สงบก็จะเป็นความวุ่นวายใจยิ่ยง <c oughs> ไม่สงบอย่างเดือนถ้าเราควบคุมจิตของเราได้เรารู้ทันสังขารอยู่ก็พยายามทําต่อไปทําให้มันรู้ทันมากขึ้นเรลยก็ ถ้านาเปฏิบัติก็จะเป็นจริงนะแต่ก็แต่ก็ทานนํางานอะไรอื่นควบคู่ไปได้เยอะอย่างพะีะก็บินาบาดได้ปัดกวาดล้างวัดได้ทำลายได้แต่ท่านทําแบบปฏิบัติในเชิงปฏิบัติเพื่อนั่นเน้อสติอยู่กับงานที่เกิดขึ้นในปฏิบัติจิตท่านไม่ไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจิตอยู่รู้อยู่กับงานที่กํ า, าลังทำอยู่ในปฏิบัติ แล้วก็ทำเท่าที่จาเป็นพอไม่จำเป็นเ้องคิดในเรื่องกลางาาแล้ว ก, กวว็จะเรียนทางวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาจะเรีมองในรูปสติสตลอดเวลาจะเรียนรูสุภาพตลอดเวลาจะลักคนแต่แล้วแต่ว่าเรากำลังติดอยู่กับทางขั้นไหนเราก็จะก็จะทุ่มเวลาให้กับทางขั้นนั้นมาก พอผ่านทำเท่น hmm. sure e ั้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาแล้วก็มันอยู่ในใจแล้วนึกถึงที่ไรต้องการจะใช้มันที่ารมันก็จะมาถึงทีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตึงต้องเชื่องแลถ้าไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีกิเลสที่จะต้องทํางานแล้วก็ไม่ต้องเสริญแล้วตัญญานก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคยาฆ่าเชื่อโรคถ้าไม่ไดเชื้อโรคอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินยาไอนี้กินเพื่อทาลายเชื้อโร ปัญญาก็มีว่าช่วยทำานเกเมือเกิดเลยคือการว่าัญ ห, ห, หาเพราะว่าปัหา ว, าวิเราะหาปัญหานี่มันหมดไปแล้วก็ก็ไม่ต้องเิอะไรต่อแต่ไม่ต้องพิจารณาไม่จำทุกขงัง น, นั่นับตาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรจะต้องทั่นเรียอะไรมาเกาะขึนจิตใจใ ม, มีอะไรมาว่ามาล่อให้ไปเกิดปัญหาต่างๆตัว แต่ถ้าคิดว่ามันหมดแล้วแต่มันกลับโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าก็ต้องก็ต้องจัดการมันแสดงว่ามันไม่หมดมันยังไม่หมดเราคิดว่ามันหมดแต่มันยังไม่หมดมันยังกลับมาชอบแท็กซี่ยังอยากจะทํารุ่นทํานี่อยู่ก็รู้รู้ว่าให้มันไม่หมดไงก็ต้องลองหยุดมันดูหยุดมันดูแล้วมันเดือดร้อนไหมถ้ามันเดือดร้อนก็ไม่เป เห็นครูบาอาจารยที่ท่านที่คนเข้าตำหนิว่าทำไมยังเที่ยวหมายังยังสืบผู้ดีอยู่นี่ก็เป็นปัญหาไม่ใช่แต่ท่านก็ไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นปัญหาสำรับท่านแต่เคี้ยวไปตามการการการสภาพมีให้เคี้ยวกับเคี้ยวมีให้สืบก็สืบแล้วท่านก็ไม่ได้สู่แบบไม่ไม่มีขอบไม่มีขีดอย่างนู้ น, นานี่ที่ได้ละได้มีตามมาท่านก็จะสูบวรรณสืบหัว ตอนเช้าฉันฉันจะน้นเต็อนว่าท่านก็จะสั้งมอหนึ่งตอนบ่ายทานน้ำชาอะไรนี่นก็จะสูบตอนค่ำอะไรนี่ไม่ทาบตอนไห้งแต่ก็จะยืนว่าท่านจะสูบประมาณนักสูบมือแต่็นบุญที่เขาเอามาถวายไว้ให้ท่านสูดอยู่นะท่านไม่เคยจะสั่งไปบอกให้ใครไปหาสื้อยู่นะถ้าไม่มีก็ไม่สูบ อาจจะไม่เข้าใจว่าสูบไปทํำไมก็สูบไปอย่างนั้นแหละก็เห็นเดือดร้อนท่านทำไมเดือดร้อนคนเดือดไปเดือดร้อนแทนท่านทำไมตอนที่หลวงตาท่านไปไปต่างประเทศไปประเทศลอนดอนความที่ท่านจะเครื่องเครื่องนี่ยากโยมขนหมากไม้ คลัวท่านเจ้ายาไม่รีบหมากรแต่ท่านบอกว่าพอขึ้นเครื่อง้ท่านจะหยุดทันทีท่านไม่ออกไปเลยใันตอนประมาณสักสองอาทิตย์น่ท่านไม่ได้ถึ้นหมากรนะาจวันดียถ้าคนติดนี้อไจะต้องทรมานใจนะแต่ท่านต้องกาจะหยุดเมื่อไห่ยุได้ทันทีนีเปัญหาแล้วเรื่องเคี้ยวหมากนี้ก็คิดว่าในยินว่าเคี้ยวเพื่อรักษาฟัน หลังนี้มันช่วยรักษาทำญด้มันจะคนที่สงสารเนี้มักจะพูดไปจากความรู้สึกของตอนเองเพราะตนเองนี้เจ็บอยู่ยังอยากอยู่แล้วเมื่อคนหนเขาเข้าทำเหมือนตนก็คิดว่าเขาอยากเหมือนตนติดเหมือนตนแต่เราไม่ม ไ, มมไม่ม่มีอันตริยาส การรับประทานของท่านก็ไม่เหมือนกับรับประทานของเราเรารับประทานด้วยความอเล็กะลอยกับรถกับชาติกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แต่ท่านรับประทานเพื่อเหมือนกับรับประทานอย่างราประทานเพื่อร่างกายมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เราไม่รู้ในจิตาจขอท่านกับในจิจของเรานเหมือนกันจิตใจของท่านมันไม่มีความอยากไม่มีการมาคาหาอยู่มันก็ไม่ได้ ฉันด้วยความอรอร่อยฉันไปตามสภาพที่มีมีอะไรก็หยุดฉันได้เลือกได้ไม่ เ, เป็นไรเจร็งแต่ว่าไม่ไเป็นสั่งไม่อ เ, เรียกร้องให้หาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มาให้หแล้วกันเมื่อมีหลายอย่างมันฉันไม่ได้ทุกอย่างก็เอาอันนี้บ้างอันนั้นบ้างอันนั้นอันนั้นไม่เอาก็ได้ไม่ได้เสียอะไรแต่บางทีท่านเพื่อฉลองศรัทธาก็หยิบเข้าไปในบาตรให้ทุกคนในธรรมเนียมที่มากก็เรื่องของธรรมอีกที โยมเขาเลยคิดเอาว่าท่านชอบนั่นชอบนี่ครับอกว่าหลงตาชอบไถหวานก็ถวายทุกวันถ้าจะเป็นปุณเลยถ้าจะดัไม่จะดันถถ้ายาจะถวายเราถวายจัมปันท่านจะจะรองสาธากรักาใสักคำหนึงนะใูใจ อยมก็คอสังเกต น, นะอะไรมากอะไรน้อยตอนจริงไปไปยึดติดจับตัท่านมากเกินไควรจะแค่ว่าเป็นก า, า, า, ารอาหารมาเพื่อให้ท่านได้ได้ยินหารหล<ช>่อเลี้งมากกว่าจะลองได้ได้เสียสลให้ถือหลักนะบุณคนถวายอา ห, หารให้พราเพราะ เ้าทำให้คนตายนีเครากว่าทำอาหารที่คนตายเข้ามากกว่ากนก็ไดก็ไดหลายรูปมันคือแม่ถวาย อาหารที่ข้าชอบอาหารที่คนไทยชอบถ อ, เอววยเป็ดจะได้กินเป็ดแล้วคนที่กลัวตายกช็ชาหน้าจะไม่ได้กินอาหารเช่นนี้ก็ๆๆที่ยังยังทําบุญให้ถูกหลักทําบุญด้วยความโลภอยู่ทําบุญจริงๆแล้วต้องไม่ไม่ไม่ไมตรัถนาผลตอบแทนถึงแม้จะมีผลตอบแทนก็ปล่อให้มันเป็นตายตาม การธรรมชาติคือการให้ น, นี้มันก็มีอนนี้สงูงมันก็จะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าการให้ทางจากผู้แต่เราไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นโดยตรงเราให้พเพราะเงินเพื่อปลดเปื้องความทาระที่เราต้องเกี่ยวข้องกับสมบัติชิ่นนั้นก็ น, นั้นเราไม่จําเป็นจากสมบัติเงินทองข้อนี้แล้วก็อยากไปเก็บไว้ให้มันเป็นทาระไปะต่อ เราตัดเครื่องไปให้ไปเป็นการตัดไปเป็นการปล่อยวางอย่างที่พี่บอกว่าให้ให้เราต้องจับทุกอย่างไม่กระตั้งร่างกายนี้เราก็ต้องจับทีนี้เราก็ต้องจับเขาที่มันง่ายกว่าร่างกายของที่เรายังยึดติดอยู่แต่ที่มันง่ายที่เราจับได้สักทีบางเ ง, งิงนทองบางเสื่อเงินเงินเงินก้อนเดียวกันเนี้ยถ้าเราตั้งใจจะทําบุญให้ทานเราเราให้ไปแล้วเรายึดติดในกมามสุขใจ แต่ถ้าก้อนเดวันนี้เราจะไม่ได้คิดจะให้แล้วมันหายไปนเราจะเดือดขึ้นมาในี้เราจะวุ่นม า, า, ายใจขึ้นมาอีกเพราะใจเรายังมีความผูกพันมันยึดติดอยู่กับเงินก้อนนั้นอยู่เนี่ยที่การให้ที่แท้จริงแล้วฝเป็นการตัดอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆทีนั้งงที่ทีนั้นที่เรายึดรักมากเท่าไหร่เราตัดเราให้ได้แสดงว่าเราเราเร า, เรามีความฝุกมากว่าเราจะได้หมด หมดทาระความกังวลกับสมบัติที่นั่นไปเั้นก็ถ้าอยากจะได้ยมีมากๆได้ความสุขมากๆก็ทําให้ของที่เรารักมากที่สุดนั้นเพาไม่มีอะไรมากเข้าร่างกายของเราถ้าเราโตเรายอมตายได้เราให้ร่างกายนี้ตายได้เราจะมีความสุขใจมากแต่เราจะไม่บุญหวานไม่เดือยร้อนกับเราต่อไปหรือเรารักสามีเรามากก็ให้สามีได้ ให้อาจรย์ไม่ต้องไปพูดพอจะไปเมื่อไหร่จะเป็นอยู่กับใครทีไหนเมื่อไหร่ก็ยินดีเสมอเราก็จะมีความสุขเมเราได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสามีกับความสุขที่ให้สามีไปนั้นแตกต่างกันความสุขที่ได้จากสามีเป็นความสุขที่ไม่ทิ้งแท้แน่นอนมีความทุกข์คอยรอเราอยู่เสมอ ไม่รู้เขาจะเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่แต่ความโชคดียินดีนให้เขาไปตั้งแต่แบบนี้เลยเนะี่ะทำให้ใจเรานี้สบายเลยสุดไ ม, ไม่ไม่มีความทุกข์กับเท้าต่อไปแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังมีมีความรู้สึกที่ดี้จักทำเหมือ น, นเดิมเฉพาะไม่มีอุปทานตัวนี้เท่านั้นเ อ, องที่คอยสร้างความกังวลคอยสร้างความห่วงสร้างความหวง สางความสียใจเรตัดตัวนี้ไปได้แล้วอยู่ด้วยทางนี้จะไม่ค่อยทะเลาะบอกล่ากันเขาต้องการจะทาําะไรก็ทําไปเลยถ้ายังมีอุปทานอยูเดี๋ยวก็คอยว่าเขาอยู่ด้วยทําไมทําอย่างนั้นทำํำนี้ทํำไมกลับบ้านช้าก็จะเป็นปัญหาวหห่าหงายหงายถ้างต่างแต่ถ้ตัด ต, ต, ตัวอุปทานในยุทธกุศลในตัวเขาได้แล้วนี้ก็จะอยู่ด้วยกันอย่า ง, างมีความความสุข นั่นคือเรื่องของของกายให้โดยหลัก็คือไม่ได้ต้องการผมตอบแทนจากผู้รับหรือหรืออันที่สงจากการให้แต่ต้องการการปกป้องาการอุปทานความยึดติด ก, กับวัตถุข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเพราะไม่ช้าก็เร็วเช้งวันเียเราก็ต้องจากเสียง น, น, นี้ไปถ้าเรากลับได้นะมาไปอย่างสบายหายห่วง ถ้าเราไม่จับไม่ได้เราไปแบบเหมือนีหมเหมือนต้องเหมือนกับมันติดอยู่กับกาวเนี่ยต้องต้องใช้กำลังถึดล่ามแยกกันออกไปเพราะนั้นมันจะทุกข์ทรมานจังว่าเวลที่ต้องพท้าทายสิ่งที่เรายังปล่อยได้ได้ยังยึดติดอยู่ที่มันทุกกันก็เพราะว่ามันมันมันเสียดายนั่นเองแต่ถ้าเราถ้าาอยากจะให้อยากจะอยากจะแยกกันอยู่แล้วพอได้แยกกันก็ดีใจฮะ แต่าเราต้องอยู่กับใครที่เราเกลียดที่น่าอย่างนี้นะพอถึงเวลาที่ต้องจะไปเนี่ยโอ้โเรารู้สึกโล่งพราะเราไม่มีอุปทานกับเขาเลยแต่ถ้าอยู่ประทานแล้วโอ้โหเวลาที่จากกันนี่มทุกข์ทรมานใจอย่างนี้อย่งก่อให้เห็นโทษของอุปทานการตาอุปทานนี่ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจะนะยังมีความนึตมกตรุณาต่อกันมีความตัดน้าดีต่อกันยังมีความนักกันเหมือนเดิมเหมืองแต่เราตัดตัวนี้ท่านนึ่งตัดตัวอุปทานความยึดมั่นที่นั้น อ, อยู่กับอะไรอยู่กับใครก็อย่ากไปมีอุปทานกันอะไรพร้อมที่จะจากกันคือมออย่างพวกเรามาที่ต้องเป็นอุปทานเดี๋ยวถึงเวลาเราก็พร้อมที่จะจากกัน แต่ถ้าอยู่กันนานๆก็ไม่น่าอาจารย์คะเคยเคยมีครั้งหนึ่งที่ที่ลูกรู้สึกว่ามีปัญหากับบุคคลก็ก็จิตใจก็ยิดติดกับปัญหานั้นก็รู้สึกเป็นกังวลหมุดหงิดหนักใจมากเสร็จแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งที่ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยทุกอย่างได้รวมทั้งไอ้ความยึดติดนั้นด้วยก็เป็นแค่ช่วขณะจิตเดียวแต่รู้สึกว่ามันเบามากจน ก, จนกระทั่งจนกระทั่งจําความรู้สึกนั้นได้จุดนั้นเนี่ยคือจุดที่จริงๆมันคือเหมือนกับสมถะใช่ไหมเจ้าคะคือไม่มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าใจอะไรเพียงแต่ว่าเราดึงจิตของเราหลุดออกมามัน<ช><ๆ>อาจะเป็นเพราะมันทนไม่ไหวก็ เ, เลยปล่อยไปถ้าเป็นปล่อยแบบนั้นมันปล่อยแบบจำยอมแต่ มันไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจามันเป็นอุปทานถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอุปทานนี้ต่อไปมันก็จะไม่กลับมาแต่ถ้ามันปล่อเพราะมันมันก็มันก็ว่ามันมันสุขวิสัยมันมันทนเพื่อจะอยู่กับปัญหานั้นไม่ได้ก็เลยปล่อยมันไปอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเพราะมันมันทนไม่ได้ยากไม่ได้แต่ถ้าเรา พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ด, ด, ด้วยด้วยปัญญาเห็นตายรักใ น, ในในสิ่งนั้นนะมันเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันมันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้คือปล่อยให้มันเป็นไปต า, ามเรื่องเขาอย่าน้ดีกว่าอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ติดมันก็จะไม่เป็นปัญหา <c oughs> แต่ถ้ามันหร <c oughs> ือมันอาจจะเป็นเฉพาะกรณีอาจจะเป็นปัญญาเฉพาะในขณะนั้น แต่เราพอพอไปเจอเรื่องใหม่ก็ไม่ใช้ปัญญาเหมือนเดิมยังใช้ใช้กิเลสเหมือนเดิมมันก็ยังปัญหาอยู่ถ้าาต่เรับใช้ปัญญามองให้เห็นว่าเป็นตายรักในทุกขณะมันก็จะไม่เป็นปัญหาขึ้นมาดังนัง้ถึงต้องถึงต้องสอนว่าให้เจริญตายรักอยู่เรื่อยเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไนี้ต้องติดป้ายไว้ก่อนว่านี่ายรักนะอย่าไปผูกอย่าไปเยึดอย่าไปจิดนะ งานชินนี้ทํารับมาแล้วก็ทําไปนะได้ก็ได้ไม่ได้กครับได้เท่าไหร่ ก, ก็เท่านั้นมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เป็นปัญหาเไม่ต้องไปทะเากับคนที่ร่วม ง, งานกันเขาจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้นก็พู่กันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ถล่มกันไปว่าจะเอาอย่างไงถ้าเปลี่ยนข้างมากจะเอาอะไร ก, ก็เอาคนเข้าไปทํานั้นไม่เป็นปัญหาเลย แล้วที่เาทานี้ดีกว่าเขาไม่มาทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ผลมัออกเป็น่างมันก็ต้องเป็นไปตามถูกเท่าันก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมนี้มันก็จะไม่สบายใจต้องมาทางนี้เถอะต้องมาทางเราบางทีก็พาลาออกจากงานนี้นไปเลยหรือลาออกจากคณะกรรมการหรือโยงงานที่นั้นไปเลยก็ได้ เรารับไม่ได้อย่างนั้นก็ได้ถ้าเราพิดว่าถ้าไปทางนั้นเรามันเสียหายเราเราไม่อยากจะมีส่วนร่วมก็สร้างความเสียหายนล้นก็ถอนตัวออกมาก็ได้แคนน่นก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเป็นเป็นด้วยเหตุด้วยผ ก, ก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นด้วย อ, วอารมณ์ยาวแพ้ชนะกรรมนี่จ็จะไม่ดียอมรับเหตุรับผลยอมรับความจริงถ้าเหตุผลของเขาหนักกว่ามีน้ำหนักมากกว่าก็ต้องยอมรับเหตุผลของเขา คน่องเรามีน้ำหนักมากกว่าแต่ียงก็มากกว่าเขาก็เขาก็ยันมานกว่าเราอดีเขาก็เราหย่อนหย่อนเรื่องมันไม่ได้เละอทะก็ให้พอให้พิจารณาตายรักสอยู่ได้เลยมันจะปล่อยวางได้อยู่ได้เลยเดี๋ยวมันติดเป็นนิสัยต่อไปมันเห็นอะไรมันจะเห็นตายรกก่อนอย่างนั้นแ้วมันจะไม่มีปัญหา แต่าตาลักณของเรามันยังไม่ไม่ต่อเนื่องนางเรื่องก็บางเวลาก็มีบางเวลาก็ไม่มีเวลาที่มีก็สบายใจทําอะไรก็ทําได้อย่างอย่างเบาใจสบายใจเวลาเถาะปั๊บเนี่นก็อุปทานเข้ามานละ้วตอนั้นก็หนักอกหนักใจแต่มันมีปืนที่ใจเลยเนี่ยดึงที่ว่ามันปล่อยเลยมันดึงมันยึดมันติดแต่ว่าปล่อยก็ไม่นาไม่ขามว่าไม่ทําอะไรเลยนะ ปล่อยปล่อยประทานความความยึดมันถือมันแต่ยังทำงานที่ต้องทำอยู่ทำหน้าที่องเราให้ดีที่สุดได้เท่าไรก็เท่านั้น <c oughs> นี่ก็เป็นเข้าปีที่ห้านีเน่เป็นแถวหาักเป็นเดือนที่เป็นเป็น เ ป, เป็นเป็นห้องแรกของตี๋ตี๋ที่ห้าคนาดนนนาตนต้ น, ตน <c oughs> มามาไกลแล้วเนี่ยถ้ามาตอนเยงนก็อว่ามาไกเลเน้่เรา <c oughs> ก็เชื่อว่าจิตใจสภาพจิตใจก็ตีขึ้นไปเลยเพราะถ้าไม่ดีขึ้นมาเลยมันคงจะไม่มา <c oughs> ก็พยายามทำต่อไปอย่างน้อยก็รักษาสภาพที่เราได้ทํามาไว้อย่าให้มันเสื่อมลงไปทําให้มันได้มากที่สุดไปก็ป่าวก็อยู่ตรงเนี้อย่าปล่อยปล่อยวางได้มากน้อยเท่าไห่พยางปล่อยให้มากมาตัดให้ได้มากมาก เนพอแล้วมัีอรให้ค้นถามไหมครับเชียนนะครับค้นถามถามก็ถามดังกันบ้านอยู่ว่ะก็ถามดังบ้างด้วยตอนใกล้เลยคือคือคือเอินว่าไม่ใช่เผอินคือแบบพอปฏิบัติต่อไปตอได้เมื่อคราวก่อนก็คือ มันก็เหมือนถ้ามันมีอาถภาพามีอะไรเรามันก็ขึ้นมาเองใช่ไหมคะคุณคะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนจะหายไปแล้วมันก็จะมีแต่จิตที่เราเหมกับแล้วก็คอยดูเขาอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ทันมันทําไมอาถภาพ์ตรงนั้นหายไปหนึ่งะความสงฆ์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราจะปล่อยคือเราจะดูจิตไปเรื่อยๆตามที่มันปรากฏตามที่มันเกิดขึ้นเชียร์เหรือว่าเราต้องไปจูนกับที่เราเคยทําือที่ทาง ที่เรเจรณาสุภาพนี่ับเพื่อที่จะตัดการรัตนะหาความินดีในการในเศษทางเรื่องเสษการเรื่องการมีคู่ครองถ้าเรายังมีปัญหาอยู่กับเรื่องการอยากมีคู่ครองอยู่เราก็ยังต้องเจริญสุภาพต่อไปของหูแบบคล้ายๆแบบมองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะมองไปอสุภาพแต่แตัดไม่เคยมีเรื่องปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะจะอยู่คนเดียวได้ไหมก็เสกว้าเอยออยากจะมีคู่ครองคู่นอน <laughs> <laughs> แต่ <laughs> แ, ตแบบคล้ายๆแบบ เรามองอะแล้วก็ชอบที่จะมองเป็นพระแต่พอแต่เดี๋ยเ น, นี้ยค่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วมันไปดูตรงเนี้ยค่ะไปดูที่จิตเราคือก็มันไม่เกิดปัญหาก็ไม่ต้องใช้อักษรพานเะหมือนก็เหมือนถ้าว่าเรากินกินยาแล้วยารักษาโรคนี้หายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกินยาทีนี้แล้วก็ก็มไม่เป็นไรถ้าสถติว่าตอนนี้เราพักไว้ก่อนก็ได้แล้วดูว่ามันจะมีการมารวมเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ถ้นมีก็แสดงว่าอาสุภะเรายังไม่พอเรามากลับมาเจริญอสุภะต่อได้ถ้าตอนนี้เรามีปัญหากับเรื่องอื่นแเราก็แก้เรื่องอื่นไปก่อนตอนนี้เรามีเรื่ออะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตที่มันเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้เลยแก้กับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งแล้วก็เตรียมแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกส่วนหนึงเช่นความเสียไข้ได้ตัวตามตายอย่าง เราก็ต้องเปลี่ยนตัวไว้ที่จะเข้าห้องสอบทำการบ้านไว้ก่อนเป็นแค่แบบว่าตอนนี้หนูพยายามเป็นดูอนุจจังทุกข์ขาในตาของของกิตที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่บางทีมันก็ไม่ตามไม่ทันอย่างที่ที่เขาเล่าให้ฟังแบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามดูมันอีกทีว่าเออเราตามไม่ทันมันเกิดจากอะไรแต่แบบแค่แบบมันมันได้น้อยนิดแต่ว่าก็ไม่ท่าว่า เป็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญอัตาะ ห, หรือไม่ได้เจริญอะไรพวกนี้หรือเปล่าทําให้เราติตเาราค่อนข้างจะอ่อนจติตปัญญาเรายังไม่เลยเท่าก<ช>ับที่เลย<ช>ที่มีจิต<ช>เราอาจจะท่ามขั้นไปก็ได้เรายังควรจะอยู่ในขั้นขั้นกายไปก่อนทัาจิตนี้มันละเอียดกว่าขั้นกายก็คือเนี่ยาการเจ็บความแปรความตายการทัดทากับจัรเสิน ต, าตา่างๆ าการจับเลือกเสียงเกี่ยรต่างๆเนี่เป็นเป็นขั้นที่เราต้องต้องผ่านไปให้ได้ก่อนถึงจะเข้าถึงจะเข้าสู่ขัข้นละเอียดของจิตได้ถ้าเราจับเลือกเสียงเกี่ยมรถได้ไหมเรายังหาเรายังหาความสุขจากรูปเสียงเกิก่ยมรถอยู่หรือเปล่าเยังออกไปดูหนังฟังเพลงไปเลือกอาหารชนิดนั้นที่นี่รับประทานอยู่หรือเปล่า<ช> <c oughs> ถ้าอย่างนี้เราต้องมาแก้ทุกอย่างก่อนทุกอย่างทั้งส่วนยาว ที่สติปัญญาส่วนใหญ่สามารถที่จะแก้ได้อย่างถ้าเราวันพระเนี่ย <c oughs> เราบอกว่าเราจะรับระทานอาหารมื้อเดียวเนี่ยได้แต่พอวันที่ไม่ใช่วันพระเราไม่ได้กําหนดไว้ไม่ได้บอกไว้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆแบบกิเลสเข้ามาเต็มที่เลยก็ลองลองทำดูลองเพิ่มวันพระดูจนอาทิตย์ละสงวัน3 ว, วั น, น, นตอนนี้สองวันแต่หนูเขาจะว่าตุ้งใส่จะต้องทําทุกวันไม่ละก็ต้องทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเราต้องทําในก้าวหนก็ต้องทำเลยทัานานาน่งนะสามารถที่จะรับประทานมื้อเดียวได้ทุกวัน แล้วก็ตับของเราบประทานระหว่างมือไปให้หมดเลยกินไม่เดียวแล้วก็จบแล้วเรื่องกินนอกจนั้นก็ น, น้ําป่าทัาาา้งวันยากมาก <laughs> ามก็เนี่ยเลยตอนนี้อย่าไปตามนิจมันละเอียดกวามยากกว่านี้เยอะทําในส่วนที่เราทําได้เดยก่อนแล้วจิตมันจะสงบสติปัญญามันกจะเร็วขึ้นเพือ่อจิตสงบลงไปสติปัญญามันก็จะเร็วขึ้นตามไป เราตองกักเซ็นตรง น, นั้นก่อนเออเอาเอาส่วนอยากก่อนถือรูปถึงกินรถสมบัติเข้าของเ ง, งินทองวัตถุเสื้อผ้าอะไรต่างๆเรามีเสื้อผ้ามากเกิ น, น, ววาาานวกความจาเป็นหรืเปล่าเราซื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพราะความสวยงามหรือเพราะใส่เพราะความจาเป็นต้องต้องใช้เหตุใช้ผลถ้าเราเห็นเสื้อผ้าสวยงามนั่นนั่นที่เรามีเสื้อผ้าจะเป็นตู้เม่งซื้อมาเองแล้วก็แบงเราผ้เกล เราไม่มีเหตุมีผลถ้าเหตุผลก็คือเสื้อผ้าในว่าทุกปกติร่างการเพื่อใช้ใส่ไปทา ง, งานตามตามความเป็นต้อถ้ามันมีพออยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่เอาจับเ่อีไปก่อนส่วนยาไปก่อน ติดเรื่องอาหารอย่างเดียวถ้าจะคิดงานกินไม่เยอะแล้วกินตามมีตามเกิดก็ได้อย่าไปตู้ที่จุกๆิเจอร้านอาหารตรงไหนก็เอาเข้ามาตรงนั้นไม่ต้องไปร้านน้น้านนี้นอกจากคนก็จัดชวนไปพาไปเราก็ตามเขาไปเขาจะเป็นเแต่อย่าออกจากสังขารยาออกจากสังขารความคิดทิ้งันของเรา ไม่อย่าออกอย่าออกอุบายให้คนึ่นเขาพาไปอยากกินร้านนี้ก็ควรจะปกินล้านนี้มาวิยัอร่อยนะจะเรื่องอจอ่ไม่ค่อยเ็เอพวกนี้ก่อนนะเอาพวกส่วนเนี้ยแต่สวนนี้จ็ก็ดูได้แต่อย่าไปหวังเลยมากมบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันเพราะว่าเราจิตเราไม่มีทางที่จะทันได้ตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่เรายังไม่ทันเลย ือเรื่องอาหารเรื่องรูปเสียงกลิ่นรนี่เรายัางไม่ทันมันเราจะไปทันให้ความละเอียดภายใ น, นเรื่องอารมณ์ต่างๆภายในใจนีม้มันเป็นไปไม่ได้นอกจากบางเวลาท่านอุตส่าห์้ำบางเวลาฉะนั้นตอนต้นเอาส่วนยากก่อนคือส่วนภายนอกรูปเสียงกลิ่นนิดโรปรดจักรวาของเงินทองทอต่างๆคุณตัดมันไปกนการรับประตายอาหารอะไรนี้หรือสื่ต่างเท่าได้ หลังสิ่งตาก็เพื่อตัดตัดการมารงมความสุขทางรูปสิ่งตืงงนนอาหาเพื่อ่เพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อเพื่อกอื่นนอนก็ไม่ได้นอนเพื่อจิเลยนอนบนพื้นปูพื้นไม้ินเสือ่อปูผ้านอนให้เรานอนอยู่คูน่นั้นาหารงเนื้อแต่งตัวก็ธรรมดาไม่ต้องแต่หน้าต่งตาล้างหน้าล้างตาให้สะอาด ก, ก็พออยูอ่เท้าไว้สมัช ก, ก็พอ กระเป๋าแบบนี้จะโดนนู้นท่านต้องการก้าวหน้าแล้วต้องจับโ่วงนี้ไปได้ของดีกว่าเยอะแยะนะของพวกนี้ไม่มีคุณค่าอะไรอยู่ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติใหม่แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาคขนอัว เราต้องมาวางไว้ผมยาแต่พอมันได้ไ อ, ไ, อไอตัวนี้แล้วมันไม่เสีไดายเลยผมว่าเป็นภาระเปลนกงรลงนางเปล่า น, นี่ผมนี่ก็ลองทานก็คอยสะคอยหีีแล้วก็เหม็นด้วยเท่านั้นไม่ได้ซัไกไม่ได้จประมาณสองวันนี้ก็เหลือ็เหนียวหนาแล้ ว, น, วนี่ก่อนถูแล้วโอ้ยสบายอาบน้าพอ่อขกบบุเษเสร็จเรียาากร้อยจ่าทุกวัน ถ้าจำดียมคุณถามมเรื่องพระชายาสบปหรือเปล่าก็ไม่ได้ห้ามถ้าีกาายสมัยกได้ถ้าผมติดสบู่นี่คือดทีเขาก็ไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นหอมเท่านั้นแต่สมัยนี้มันหายาเขามียี่ห้อสันไลนะสมัยก่อนน้องตาใช้สันไลท่านบกว่าป๋ามาตายหมช่ใช้สั ติดสบู่เป็นสบู่ก่อนก่อนสบู่สไลด์ไม่ตืดสไลส์ชิ้นที่ละใส่ชักผ้าให้ชัพผ้าได้มันก็เห็นมันก็เป็นมันก็เป็นของใช้สักทักผ้าไปก็ได้คือโดยหลักก็คือไม่ต้องการให้มันเกิดเกิดกลาบหลงเกิดยนดีกับรูปสวยงามใช้สบู่ก็เพืดอชาระร่างการถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปะ่าก็ได้หากน้ําม่งใช้สบู่ก็ได้ เคยลองเคยลองอาบน้ำไม่ใช่สะดวกมันก็อาบได้พระที่ท่านบินในปาาที่ท่านก็ไม่มีสะดวกถือตัวไปท่า น, นก็อาบได้ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาหอะไรสบายที่เพราะเวลาไปที่ตรอกนี้ท่านต้ตัดของที่จะต้องเชี่ยวไฟแบบไนถ้ามีมากมันก็หนักดังนนท่านก็จะตัดอะไรที่ไม่จำเป็นก็นไม่เอาไปเ <c oughs> อาที่จำเป็นจริงๆ นี่นก็ถือแบบว่าของที่เราใช้เนี่ใช้เพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อร่างกายไม่ใช่เพื่อใช้เพื่อกิเลสก็ใช้ได้เช่นแป้งคนถามว่าทาได้ไนมถ้ามันทาเพื่อรักษาร่างกายไม่เก็บยวข้ได้วยป่วยก็ใช้ได้แต่ถ้าทาเพื่ออะไร รู้สึกสบายใจรู้สึกสบายก็ไม่ได้แล้วให้หน้าขาวก็ไม่ได้ขายจริงจร่งคถ้าใช้แบบเป็นยาก็ใช้ได้ถ้าใช้เชื่อสมงานก็ไม่ได้เอ้ยยังมีเวลาไปข้างนอกแล้วยังบ่านทำความสะอาดนี่สบู่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยก็ก็กำลังไปกำังไปแลนะแล้วก็ คืออยากดักแดดพอมันแห้งแล้วท่านก็ไปผ้าเช็ดตัวแทนกันแล้วแต่ที่กันดดถึงมากก็จะไม่มีของที่จะลบตัวได้ไหมบางที่ท่านก็ไม่ปิดฟ้าแล้วกางวันท่านก็เปิดิดให้มันเปิดให้เวราจะออกไปดินสบานทางช้าท่านก็ติด้าบานนี่มันจะมีเกล็ดชี้หรือจะผ้าคองมันที่มันติดอยู่ในบานพอเปิดเอามามันก็จะมีกล เนส่วนใหญ่างทีท่านาะเวลาอาบากเกิ่ยววัคคติแล้วท่าก็จะเปิดฝาไว้ให้มันติดมันออกมาเราแต่งฟันนีไม่ต้องใช้ยาสีฟันก็ได้ก็แปรงฟันเพื่อที่ชำระทารสุขบลดที่มันติดในฟัใช้การนี้ใส่ออกมาแล้วก็ได้ที่ยาสีฟันนี้มันทําให้รู้สึกสดชื่นรู้สึกว่ามันเลื่นเวลาแปรงมันเลื่น ถามหมอหมอฟันแล้วหมอฟันมอกแตงเดยไม่ใช่ไม่ใช่ยาก็ได้ก็แพ่ถ้าใช้ใช้เดนนิฟอสเนี่ยะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นการรักษาฟันมีแทนกำขางไหมครับต่างหากคือถ่ายนี่นอนที่นอนติกอันแบน มเนะพื่อยาเป็นภูมิหนาวหนาวเราละชั่งความเป็นแบบว่าถ้าใ <c oughs> นขณะนี้ก็ได้เพื่อการความเย็นของพื้นก็ได้บางทีถ้านายกับพื้นเย็นๆเนี่ยถ้าเป็นพื่อตนพื่อระเรื่องเนี่ยร่างกายมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายมันมันต่ําเพราะอากาศเย็นความอบอุ่นของร่างกายมันน้อยไปเราเคยเป็นนอนพื้นเย็นๆนี้ยจะเจ็บไข้ที เาทีเราเวลาเราบางทีก้จาจีวรนะรับนล้วกนอนทับจีวปรปูเสือแล้วก็อาจีวรเนี่ยพักสี่ห้าท่านแล้วก็ปูงไปแล้วก็นอนนอนบ น, นจีวรนเ พ, เพื่อเพื่อรักษาความปบอุ่นของร่างกถ้าถ้าแบบนี้ไม่เป็นไะแต่เอาแบบคู่อยา่างถ้กขบมือแบบนี้นีนยเ้าก็เหมือนนอนบนบนบ น, น, น, นเมฆอย่างเงี้ยภาษาที่ชอบเพื่อดูที่เดนมากอะคบ ก็บอกว่าอากาศมันหนาวมากถ้าใช่ถ้าเป็นเป็นกเว้นได้ได้ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของร่างการความอบอุ่นของร้าการนี้ก็ไม่ใช่แต่อย่าเพื่อความสบายวอ้หมันหนาวมากเลยเรไม่อากที่นอนหนาหน่อยจะอนไม่ได้ที่นั่นตมีแบบพวกลิเป็นแบบที่มันจะเป็นทั้งนั้นมันจะเป็นใช้พวกอะไรขนขนเป็มขนหา วันนี้ถึงมันไม่หนาแต่มันอบอุ่ <ไป S 3> นนอนกลางถิมากก็ได้นอนกลแบบนี้ไม่ได้นอนเพื่อความนิ่งท่าสุดแต่นอนเพื่อรักาความอบอุนของอุณหภูมิขอางกายใหม่กถึงหมอนด้วเพื่อด้วยทำให้การระงับกันขึ้ น, นตืเคยพูดตอกว่า เวลานัาน่าแน้วถ้าไม่ใช่ผ้าห่มใช่ใช้า้าอัสใช่หรเล่าเนี้ยเวลาไปทุ่ดอมันองมีแค่ผ้าสมปือด้องเวลานาวมากๆท่นก็เลยนะั้งสมาเวลาไท่าดน่้าสามกเามท่างสมาธิเวลานั่งไปช้าๆแล้วมันจะร่างกายจะอุ่นสังเกตุหน้าร้อนนี่นั่ง น, นี่เหนอจะตอแตกมากเลยถ้านั่ง น, นี้มันแตกมันลักษาสามอปลของร่างกาได้ดู่มันเหมือนกำลังผลิตความร้อนออกมามากขึ้นสังเตุแต่และถ้านอนนีความร้อนมันจะออกมาน้อยกว่า พอเวลานอนนี่จะรู้สึกหนาวเลยเอยหนาวเนี่ถ้านอนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาพ อ, น, น, น, อนั่งสักพักสัก20นาที10นาทีมันก็อุ่นสมานั่งหลับไปเลยท่านที่จะนอนหลับก็นั่งหลับไปเล ย, ย, นนลลเลยถ้าม่นั่งถ้านั่งาวนางแล้วถ้ามันมีไม่มีสติมันก็ไปเลยถ้ามันมีสติมันก็มันก็สงบมันก็ไม่ต้องรู้เรื่องของร่างกายถ้าท่านจะอยู่ ในป่านนี้ ท, นท่านนิยมแต่ท่านเองก็ดูหนาวท่าบอกท่านจะเดินจงคมตอนตอนลางวันให้มากเพราะตอนคืนเดินไม่ได้จะหนาวมากเพราะตอนคืนพอสีทุ่มไปแล้วนี่มันจะหนาวมากท่านก็จะนั่งสมาธิเองไปเพื่อต่อสู้กับความหนาว้ท่าได้มีแม่แจ้ขนผ้าห่มมาด้วยหรอแล้ว <c oughs> มีผ้ารังเกลือไปเรียนถามว่า ลูกทางนี้เดียวมาหลายหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งนี้มันจะมีภาระอะไรเนี้ยค่ะทางครอบครัวหรือว่าทางที่ทำ ง, งานที่ที่ทให้เราต้องทานสองเมินก็จะไม่สบายใจก็คิว่าเป็นเป็นอุปสรรคของชีวิตเราเท่านั้นันืัองจาเราขับรถแล้วยังมีมีไฟแางมีสีมีรถจอดขวางทางอยู่ เพื่เป็นความจริงที่เรายัางต้องยอมรับอยู่เป็นการเราจะไปช่วงถนนที่ไม่มีอะไรมาแล้วตอนนั้นเราก็จะไปขงเาแล้วสรที่แต่ทํานี้เราก็ทำเท่าที่เราทาได้ไ้นถ้าเป็นรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะเป็นผลทายกันมาโดยโดยใช่อแล้วันนี้องทาที่แต่ว่าขอให้เรารู้ว่ามันมั น, มน เราทําเรายกเว้นเพรคุเลัของเราหรือว่าพราะเหตุการณ์รุนแอ่าต้องการอย่างต้งการสอนเนี่ยสอนตั้งแต่สิบโมถึงเกือบสี่โมงเลยนะสอนแสร็จแทบจะเป็นลมมันมันไม่ติดใจถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายขาดอาหารก็ต้องให้เหมันไปถ้าลองยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เต็มที่คือถ้าเป็นรถก็ไม่สามารถหยีบเต็มคำได้ ไปได้แค่ครึ่งเดียวก็ต้องก็ดีกว่ายัางไม่ได้ไปเลยก็ทำเท่าที่มันเขาเรียกมัชชิ ม, มากับเราก็แล้วกันทำงานที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับสภาพแวดล้อมของเราเราก็ทำได้คร้งนั้นก็ทำาท้นั้นไปก่อนจนกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพของเราไปให้มันสามารถปฏิบัติได้เข้มกว่านี้เราค่อยๆเพิ่มขึ้นไป แต่ตอนนี้มันได้แค่นี้เหมือนกับขับรถที่มีมีรถมากบนถนนที่มีรถมากนี้มันเข้าไปเลยไม่ได้ถ้าไปนถนนที่ว่างไม่มีรถอะไรนี้มันก็จะไปได้เลยว่ากนะคาราว่าส่วนให ญ, ญ่เนี้ยถึงเวลาปฏิบัติถึงเก็บเนี่ยเรจะรู้ว่าชีวิตของคารว่ามันวุ่นวายเนาะแล้วก็อยากจะออกบวชกันในใ น, ในพระตายปเีโยรเวลาที่มีคารว่าเขาขออกบวชเขาจะเป็นอาจารย์นี้ว่า ชีวิตของคารวาสัน ม, มันวุ่นวายหนอต้องออกบวมมันถึงจะได้ไม่มีอุปสรรคมาคอยเหนี่ยวเราให้ปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นได้ย่งมากเหตุที่คนเราส่วนใหญ่ออกบวมกันก็เพราะเหตุ น, นี้เพราะอยากจะเจริญก้าวหน้าในธรรมแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าได้ถ้าอยู่ในเพศของคารวาสไม่มีใครอยากจะออกบวมแล้วพราะกิเลสมันครอบคุม ห, ห, หัวใจของเราอยู่ทุกคน แต่เมื่อเราได้ทำมากมากขึ้นแล้วเราจะมีขันธาธรรมเยอะแยะมากขึ้นจะทำให้เราอยากจะออกโดยนเพราะเรารู้ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพนี้เราก็ได้ทำนีเหมือนขับว่าอยู่ชั้นล่างกับขับ่าอยู่บนทางเด้นถ้าขึ้นทา ง, างาเดินเรารู้ว่ามันต้องไปเร็วกว่าเพราะไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรมาคอยทาให้รถเราต้องเสียเวลาถ้าลับอยู่ คือนล่างถนน้างล่างเันนี้มันก็เดี๋ยวเจอสีแยกเดี๋ยวเจอรถเลี้ยวซ้ายเลีล้ยวขวามันก็จะไปเลยไม่ได้ชีวิตของข่าวว่าก็เหมือนขับรถบนถนนธรรมดมเนี่ยชีวิตของนักบวชก็เหมือนขับรถบนทางหลวงไม่ได้เลีล้ยวขาและไกลกว่า <c oughs> นะพยายามขึ้นทางดุลนะอยากไปเสียดายทางล่างเลยทางล่า ง, า ง, งามันมีแต่อุปสรรคอยากพักวันเลยว่าหาปุราตาลิปุเรนติสัครั้ง เอวเมวะอิตุทิณังเตตานังอุปกัรปฏิอิทิ์ต่างปติต่างตุมหังเกตเมวาสันิจโตสัพพิปุเรนสังกปะ จันโทปนาราโสยัถามณิโชติราโสยัถาสพีติโวิวัชันโตสัพพโรโควินตุมาตภวทรวันตายุสุขีติพายุโควะภะวาทนสีวิะนิจจังวิธาปชาโนจตารุตธรมมวัฏฐิอายุวันุสุขัง ฮัลโหล